บทที่103ความเงียบบกคลุมไปชั่วขณะทุกคนพากันนั่งฟังอย่างแน่วนิ่งเหมือนถูกสะกดคำบอกเล่าของนักมนุษยวิทยาสาวบังเกิดเป็นภาพพดผุดเด่นในมนภาพของแต่ละคนราวกับจะมองเห็นเหตุการณ์ด้วยสายตาของตนเองฉะนั้นดารินเองยำนั้นก็เงียบเสียงขาดหายไปนั่งตามือลอย เหมือนจะตกอยู่ในห่วงภวังที่เจตสิกหางไกลลิบลับออกไปจากกายรำรู้สึกตัวอีกครั้งเมื่อเสียงห้าวต่ำของจอมพรานปลุกภาวะตะลึงงันของทุกคนขึ้นว่าแล้วยังไงต่อไปครับคุณหญิงผลแห่งคำสาปแช่งของคำพีมายาวิ่นก็คือมหาวิบัติภยัยทางธรรมชาติอุบัติขึ้นในทันทีนั้น ร่นกล่าวต่อไปด้วยเสียงเหมือนกระสิบภูเขาไฟใต้แผ่นดินระเบิดขึ้นเป็นผลให้เกิดแผ่นดินไหวพร้อมทั้งเกิดเป็นมหาวาต ภ, ภัยพัดกระนำหินละลายปานสายน้ำเชี่ยวปะทุทะลักขึ้นมาจากรอยแยกของแผ่นดินและไหลาบาท่วมไปตลอดทั้งอาณาจากักรเมืองทั้งเมืองถล่มล่มจมลงภายใต้กระแสถานแห่งลาวานี เป็นความวิบัติเริ่มจมที่เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนที่สุดทุกชีวิตภายในนิทรานครไม่มีใครหลีกพ้นไปได้แม้แต่คนเดียวและนั่นก็คือที่มาสาเหตุของความเป็นนครรางครั้งนั้นเป็นต้นมามนุษยชาติและอารยธรรมทั้งหลายเกิดแล้วและดดับแล้วไม่รู้สักกี่รอบวิวัฒนาการ แต่นิทรนาครไม่มีการเกิดคงกลายเป็นอาณาจาักรร้างอันนี้ลับซ่อนอยู่บนหุบเขาสูงกลางป่าลึกอยู่เช่นนี้มาตลอดระยะเวลาที่คำนวณไม่ได้และเหลือเป็นซากอันรากหักพังให้เห็นอยู่บางส่วนนีดเท่านั้นทุกวิญญาณของชีวิตที่แปลกดับไปในมหาวิบัติการครั้งนั้นถูกอำนาจอาถรรพ์ของคำภีสาบสกดไว ให้วนเวียนทนทุกเวทนาเปรยียบไม่ผิดอะไรกับสัตว์ในอบายภูมิกลายสภาพเป็นพวกผีกองกอยหรือเปรตประเภทหนึ่งที่เร่ร่อนอดอยากอยู่ในดินแดนแห่งมิติที่ห้าอันเป็นแดนของดวงจิตมนุษย์ส่วนานางพญาพันธุมวดีก็มีสภาพเป็นผีดิบตกเป็นทาสของมันไกรกลางวันคงร่างเป็นราชินีสาวสวย นอนสนิทนิ่งเหมือนคนหลักอยู่ภายใต้ครอบแก้วผลึกเหนือแท่นหินที่ร่างของนางถูกวางไว้ครั้งแรกพอสิ้นแสงตะวันก็กลายร่างเป็นค้างคาวใหญ่บินออกล่าเยือซูบเลือดสัพสัตว์เป็นพักสาหารมันไม่มีความพอใจที่จะเสวยสุขอยู่ในโลกใหม่ที่ตนได้บรรดาลขึ้นนี้โลกที่ตนเองเป็นผู้ปกครอง ซึ่งถืออำนาจยิ่งใหญ่สูงสุดเหนือสิ่งอื่นใดทั้งปวงโลกซึ่งแบ่งแยกเป็นเอกเทศต่างหากออกไปจากโลกภูมิศาสตร์ของมนุษย์ปุทุชนแม่สวรรค์รอนรกก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมิได้จวบกระทั่งคัมภีร์มายาวินเล่มนั้นถูกถอดถอนจากกริกที่ปักสะกดไวทุกสิ่งทุกอย่างในโลกของมันไรก็ถึงการสุดสิ้นอวสาน ทุกวิญญาณที่ต้องสา์หลุดพ้นจากอำ น, นาจบีบบังคับหมดมีอิสระเสรีต่อการไปเกิดใหม่ไม่ต้องวนเวียนทน ท, นทุกขเวทนาอีกต่อไปและมันไรก็หมดสภาพอันเป็นอมตะของตนตลอดจนสิ้นอิทธิฤทธิ์ทั้งหมดเมื่อร่างและคำพีของมันถูกเผาวอดวายเป็นจุนไปด้วยพรับเพือ เชนั้นก็เป็นที่แน่นอนแล้วสิว่าฝูงผีกองกอยที่เราพบเห็นเหล่านั้นก็คือเหล่าทหารประชากรและข้าราชบริพารของพันธุมวดีและตัวหัวหน้ากองกอยก็คือขุนพลวรมันนั่นเองชา ย, ยันห่อไหลลงถามเปลยๆดารินก้มศรีรษะลงใช่เพราะฉะนั้นเจ้าผีกองกอยตัวหัวหน้าซึ่งแท้ที่จริงก็คือวิญญาณต้องสาบของขุนพลวรมันถึงพยายามทุกวิถีทาง ที่จะเรียกร้องชักจูงพวกเราให้ไปช่วยเหลือพวกเขาและราชินีของเขาและ ว, วัตถุประสงค์สำคัญของการช่วยเหลือก็คือสิ่งที่เราทำผ่านมาแล้วนั่นเองคือถอนกริดออกจากทำภีมายาวินและทำลายล้างมันไรเพื่อแก้อาถรรพ์ทั้งปวงให้พวกเขาและราชินีของเขาได้หลุดพ้นจากอำนาจศาสตร์มีโอกาสไปผุดไปเกิดทีและตลอดมาเขาก็พยายามให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเรามาทุกระยะ เขาบอกกับฉันว่าความจริงวิญญาณของพวกเขาทั้งหลายได้รับอิสรภาพแล้วในทันทีที่กริปถูกถอนออกจากคัมภีแต่เขายังไม่อยากแพร่จากพวกเราไปก่อนจึงวนเวียนอยู่เพื่อคอยให้การช่วยเหลือจนกระทั่งทุกอย่างเรียบร้อยลงด้วยการที่เราปราบมันไร้สิ้นเผาซากมันและคัมภีมายาวินกลายเป็นขี้เท่าลงแล้วพวกเขารอคอยเวลานี้มันนานแสนนานแล้ว มันจึงเป็นกุศลสำหรับเราอย่างยิ่งที่ช่วยปลดปล่อยวิญญาณบาทเหล่านี้ให้พ้นทุกไปได้เป็นเรื่องประหลาดน่าคิดมากนะท่านหัวหน้าคณะพึมพำขึ้นขณะที่มองด้วยดวงตาเป็นประกายไปยังพักพวกทุกคนซึ่งแวดล้อมดารินอยู่ในขณะนี้น้อจะฝันไปเองหรือจะมีข้อเท็จจริงอยู่ในเรื่องนี้ยังไงก็ตามแต่เท่าที่เล่ามาให้ฟังนี่มันก็เป็นการเฉลยปมปัญหา และความลี้ลับต่างๆที่เราต้องการทราบกันออกมาอย่างมีเหตุผลทีเดียวสมมติว่าสิ่งต่างๆที่เราได้เผชิญกันมาแล้วเหล่านี้จะถูกขึ้นต้นคำถามด้วยประโยคที่ว่าทาไมสิ่งต่างๆที่น้อยเล่ามาให้ฟังนี่ก็เป็นคำตอบได้แล้วทุกข้อหรือยังไงชัยันกระพินประโยคหลังเขาถามไปยังบุคคลทั้งสองเหมือนจะขอความเห็น สมมุตินะสมมุติว่าสิ่งต่างๆที่เราได้เผชิญกันมาแล้วเหล่านี้จะถูกขึ้นต้นคำถามด้วยประโยคที่ว่าทำไมสิ่งต่างๆที่น้อยเล่ามาให้ฟังนี่ก็เป็นคำตอบได้แล้วทุกข้อหรือยังไงชายันกระพินประโยคหลังเขาถามไปยังบุคคลทั้งสองเหมือนจะขอความเห็นสำหรับทานใหญ่ไม่มีประโยชน์อะไรที่อดีต ท, ท่านทูตทหารบกผู้เป็นนายจ้างจะไปขอความเห็นใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่ไหนแตไรามาแล้วในเรื่องที่เกี่ยวกับความลี้ลับมหัศจรรย์เกินกว่าที่ปุตุชนทั่วไปจะเชื่อได้นั้นบุรุษผู้นั้นไม่เคยออกความเห็นอย่างใดทั้งสิินหรือมิฉะนั้นก็จะแสดงความคิดเห็นเป็นกลางอันยากที่จะอ่านเข้าใจไปให้ถึงทัศนะหรือความคิดอันแท้จริงภายในได้ส่วนชายยันก็ยิ้มออกมาก่อยๆอืมอดีตนายทหารปืนใหญ่ครางยกนิ้วขึ้นขยี้ที่สันจมูก ยินตันิยายผาดโผลเรื่องยิ่งใหญ่ทีเดียวเกี่ยวกับความเป็นมาของนิทรานครอันพิลิกเกื อ, อน้อยนอนหลับชะเต็มอิ่มหลับเอาแรงไว้ตั้งแต่หัวค่ำจนกระทั่งใต้ฟ้าสางมีเวลาอย่างเหลือเฟือผูกพลับเรื่องให้มาสวมรอยเข้ากันได้กับหลักฐานต่างๆที่เราพบกันมาแล้วอย่างสนิทแนบเนียนที่สุดขอชมเชยจากใจจริงนะว่าผูกเรื่องได้เหมาเจาะรักกมดีมากโดยใจจริงแล้วก็ ขอรับตามตรงนะว่าอยากจะเชื่อหรือเกิดแต่โดยเกียรติภูมิของคนที่เกิดมาในศตรวรรษที่ยี่สิบห้าก็เห็นจะต้องขอสแสดงความฉลาดแกมหยิงเอาไว้หน่อยว่ามันเป็นเรื่องโกหกทั้งเพยขืนบอกว่าเชื่อเพราะเห็นจริงเห็นจังไปด้วยโลกทั้งหลายรู้ข่าวเขาก็จะหัวเราะเยาะอ่ะจริงไหมเมกคุณพูดฟังยากนะชยันฉันก็พยายามจะฟังที่คุณพูดแต่สรุปไม่ได้นะ ว่าคุณยอมเชื่อที่น้อยเล่าไหมคุณฟังนี่หรือเปล่ามาเรียว่าชัยยันยักษ์ลยยงเคยชินเขาเองก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่าที่พูดออกไปแล้วนั้นมีความหมายยังไงฉันกัเมย์เคยพบกับไฟเย็นตามที่เคยเล่าให้ฟังมาแล้วตอนที่เห็นซึ่งซึ่งหน้าก็รู้ชัดหรอกว่าสายตาไม่ได้หลอกตัวเองและขณะนั้นตัวก็ไม่ได้ฝันไปแต่พอรับห่างออกมาแล้ว ฉันก็ยังไม่เชื่ออยู่นั่นเองว่ามันเป็นความจริงแล้วคุณละเมคุณเชื่อหรือเปล่าว่าเราได้พบเห็นและสัมผัสไฟเย็นมาด้วยกันแม่สาวกับพริตตาสีเขียวที่ีอยู่ครู่แล้วยิ้มออกมาอย่างแห่งแรงฉันก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันนะชยันแต่สำหรับชายในเครื่องแต่งกายนักรบโบราณสวมเกาะเงินอ้างตัวเองว่าชื่อวรมัน ฉันเองก็เคยพบในความฝันมาแล้วเหมือนกันเขาเป็นคนเข้ามาปลุกฉันให้ตื่นก่อนหน้าที่ค้างคาวใหญ่นั่นจะบินมาเล่นงานเราสมัยที่เรายังหลงป่าอยู่ด้วยกันสองคนและพอรุ่งเช้าภายหลังจากการตรวจสอบร่องรอยรอบบริเวณที่ฉันนอนจริงๆเป็นรอยเท้าของแง่ทรายนั่นเองคุณเองก็เห็นร่วมอยู่กับฉันด้วยนี่ฉันคิดว่าเราผ่านปัญหาข้อนี้ไปดีกว่า แต่เราน่าจะถามน้อยถึงในสิ่งที่เราต้องการรู้เพิ่มเติมแล้วดูซิว่าในภาพฝันหรือในมนโนคติของเขาเท่าที่เล่าไมา้ฟังนี้จะให้คำตอบแก่เราได้ไหมเมยผู้ถูกแล้วครับพวกเรายังสงสัยหรือคิดว่ามีอะไรเป็นความลี้ลับที่ต้องการความกระจ่างอีกก็ควรจะถามคุณหญิงดูท่านใหญ่เอ่ยขึ้นภายหลังจากเป็นฝ่ายนิ่งฟังมาตลอดเวลา ฉันอาจเล่าไายละเอียดเท่ากับภาพที่เห็นในนิมิตก็ได้และยินดีที่จะตอบทันทีถ้าใครอยากรู้อะไรอีกเจ้าตัวที่กำลังถูกพักพวกพยายามวิเคราะห์ค้นหาอยู่ในขณะนี้บอกมาอย่างเต็มใจที่สุดเอาละ่ะภายหลังจากนิทรานาครเผชิญกับภัยธรรมชาติฟ้าถล่มแผ่นดินทลายอันเป็นเหตุมาจากอิทธิฤทธิ์กิริยามนของมันไร ทุกคนล้มตายกลายสภาพเป็นผีกองกอยตามคำสาบกันไปหมดแล้วแล้วทางห้องใต้ดินของวิหารที่มันไกรลงไปซ่อนตัวไร้พระเวสสาแช่งอยู่นั่นหละเป็นยังไงบ้างชัยยันซักโดยเร็วดารินหลับตาลงเอานิ้วจิ้มที่ขมับเหมือนจะพยายามนึกทบทวนแล้วส่ศีสระช้าๆริมฝีปากเมมแน่นฉันยอมรับ ว่าฉันมองไม่เห็นภาพภายใต้วิหารนั้นอีกเห็นครั้งสุดท้ายว่ามันไตรหัวเราะอย่างเต็มไปด้วยชัยชนะแล้วก็เห็นภาพอันถล่มทลายเพราะแผ่นดินไหวของตัวเมืองภาพของทารลาว่าที่ปะทุพุ่งขึ้นมาจากใต้พิภพตลอดจนความวุ่นวายโกลาหลลมตายของพวกทหารและชาวเมืองคล้ายๆกับว่าถ้ามันเป็นภาพยนตร์กล้องที่จับภาพไม่ได้แผนมาให้ดูเห็นเหตุการณ์ทางด้านมันไตรอีก แต่แทนไปให้เห็นฉากความพินาศกลาหุนเบื้องบนแต่จะยังไงก็ตามในฉากฝันตอนที่ฉันได้พบและสนทนานกวรมันนักรบหนุ่มผู้นั้นเล่าถึงสภาพของมันไกลฉันฟังว่ามันกลายสภาพเป็นสิ่งอมะตะชนิดหนึ่งท่ามกลางความร้างพินาศของเมืองและสิงสถิตยอยู่ในท่ามกลางความเปรียวเปล่ารกร้างนี้มานานแสนนานพูดง่ายๆก็คือ มีสภาพเป็นผีดิบนั่นเองไม่ใช่มนุษย์ปุทุชนธรรมดาอีกต่อไปซึ่งเกิดขึ้นด้วยอำนาจเวทมนติ์ลี้ลับของมันเองปราสาทพันธุมวดีที่เราขนานนามกันตอนที่ค้นพบซากพันธุมวดีนอนอยู่ในครอบแก้วก็คือตำแหน่งเดียวกับห้องใต้ดินในวิหารที่มันไรลงไปซ่อนตัวอยู่นั่นแหละมันอาจถล่มลงไปจมลึกอยู่ใต้แผ่นดินเพราะแผ่นดินไหวในครั้งนั้น และต่อมาก็ถูกอำนาจระเบิดของภูเขาไฟดันให้ลอยสูงขึ้นมาอีกก็ได้แต่ที่เชื่อได้แน่นอนที่สุดก็คือไม่มีภัยธรรมชาติหรือภัยใดๆเข้ามากระทบกระเทือนถึงบริเวณแท่นหินและครอบแก้วที่พันธุมวดีบรรทมนิ่งอยู่ได้หาไม่เช่นนั้นก็คงไม่ทนสภาพอยู่ได้จนกระทั่งทุกวันนี้และเกราะที่ป้องกันเอาไว้ก็คงมาจากอิทธิอำนาจของคัมภีมายาวิน ที่ถูกปักตรึงอยู่ใต้แท่นนั่นเองซึ่งมันก็ตรงกับที่มันไรได้ประกาศลั่นวาจาไวา้คือนางพยาพันธุมวดีจะต้องสถิตอยู่ร่วงกับมันเป็นสมบัติของมันแต่เพียงผู้เดียวโดยใครจะมาแย่งชิงไปเสียมิได้มันถึงได้พยายามขัดขวางทำตัวเป็นศัตรูกับเรามาตลอดเมื่อรู้ว่าพวกเรากำลังจะไปช่วยแก้อาถรรพ์เพื่อปลดปล่อยศัตรูและนางแอนเป็นที่รักของมัน ชยันพยักหน้าช้าๆก็เป็นคำตอบหรือข้อเฉลยที่มีเหตุผลเข้ากันได้ดีมากที่นี้เธอพอจะให้รายละเอียดอะไรได้บ้างไหมระหว่างซากอันมีลักษณะเป็นสุแห้งเกราะของมันไตรกับซากของเสือหินหรือไอ้สีิงลายตัวนั้นซึ่งสามารถจะถ่ายทอดวิญญาณสลับกันไปมาได้ก็อย่างที่เราเข้าใจและให้สมมติฐานกันไว้ก่อนแล้วนั่นแหละ ความมหัศจรรย์ของการถ่ายทอดวิญญาณเข้าสิงในร่างเสือและร่างคนนี้เป็นอิทธิฤทธิ์ในขั้นโลกียชานเหนือธรรมชาติเป็นอาคมมนต์มืดชนิดหนึ่งโดยจิตของมันไรสามารถจะถ่ายเทสับเปลี่ยนในระหว่างสองร่างของมันเมื่อไหร่ก็ได้สุดแต่มันจะต้องการแต่ก็สามารถจะถ่ายเทได้เฉพาะร่างสองร่างนี้เท่านั้นไม่อาจจะแทรกเข้าสิงอยู่ในร่างอื่นนอกเหนือไปจากนี้ได้ อาจเป็นวิชาการคาถาอาคมขแขนงใดขแขนงหนึ่งที่มันไรศึกษาเรียนรู้ไว้ตั้งแต่มันยังมีสภาพเป็นมนุษย์แท้จริงสมัยที่มันมีชีวิตอยู่ในครั้งนั้นซึ่งเราก็พิสูจน์กันได้แล้วว่าภายหลังเมื่อซากเสือหินของมันถูกอำนาจระเบิดทำลายให้แหลกละเอียดไปวิญญาณมันก็ไม่สามารถจะถ่ายทอดไปอาศัยอยู่ในที่อื่นได้อีกนอกจากจะย้อนกลับเข้าไปยังร่างคนของมัน ซึ่งในขณะนั้นก็ได้รับความบาดเจ็บทรมานด้วยลูกปืนอาถรร์ของพี่ใหญ่และผลสุดท้ายเมื่อซากคนของมันตกลงจากตกยอดเขาลงมาแหลกลานอยู่กับพื้นหินข้างล่างวิญญาณก็หมดสิ้นที่อาศัยทันทีสภาพของมันจึงเรียกว่าตายและยิ่งตายอย่างสนิทแน่นอนไม่มีโอกาสจะฟื้นได้อีกแล้วก็เมื่อตอนเรานำซากของมันและคีร์มายาวิน มัพเผากลายเป็นขี้เท่าไปเราจะมีทางพิสูจน์ได้ยังไงบ้างแล้วว่าสิ่งที่น้อยเล่ามาให้ฟังเหล่านี้มันคือเหตุการณ์ตรงกับความจริงในอดีตทั้งๆเหตุผลสิ่งแวดล้อมก็มีข้าวเงื่อนหน้าให้เชื่ออยู่มากเชษดากล่าวขึ้นกับทุกคนเห็นจะไม่ยากหรอกครับในข้อนี้เสียงเ้าๆของจอมพรานทาลายความเงียบ ซึ่งเต็มไรด้วยอาการขบคิดอย่างพ้นปัญญาของทุกคนและทั้งหมดก็ไปสายตาไปจับอยู่ที่เขาเป็นตาเดียวแม้แต่ดารินเองไปเดี๋ยวรอให้สว่างหมอกจางลงซะ ก, ก่อนแล้วเราให้คุณหญิงนำไปยังสถานที่ซึ่งเธอบอกว่ามองเห็นแง่ท า, ายนั่งหลับอยู่ถ้าเราพบแง่ท า, ายจริงตามความเชื่อมั่นของคุณหญิงก็แปลว่าเหตุการณ์ต่างๆที่คุณหญิงมองเห็นในภาพฝันและเล่ามาให้ฟังนี้ เป็นจริงทุกอย่างเชิฐาเลิกคิ้วขึ้นนิดนึงในขณะที่ชายยันดีดนิ้วโดยแรงร้องออกมาว่าจริงด้วยเชียบแหลมมากผู้กองนั่นจะเป็นการซอต่อพอได้อย่างดีที่สุดบางง่าไงเชิดฐานจะเห็นด้วยไหมหัวหน้าคณะยิ้มออกมาเล็กน้อยผ ง, งกสีสษะลงอืมเห็นด้วยและนั่นก็เป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่เราจะพิสูจน์ได้ในข้อนี้เอาละแล้วเดี๋ยวเราจะได้พิสูจน์กัน ก็ถ้าเชนนั้นทำไมเราถึงไม่ไปดูกันเสียเดี๋ยวนี้เลยเล่ามาเรียเต็มไปได้วยความตื่นเต้นและแสดงอาการใจร้อนแบบเดียวกับดารินขึ้นมาอีกคนหนึ่งไม่จำเป็นหรอกผู้ที่ขัดขึ้นด้วยเสียงอันหนักแน่นมั่นคงคือระพินไครวันถ้าแงสายนั่งหลับอยู่ตรงนั้นจริงเขาก็คงต้องอยู่ที่นั่นตลอดไปจนกว่าพวกเราจะไปถึงไม่ต้องรีบร้อนออกไปดูกันเดี๋ยวนี้หรอก มันยังมืดเหมาะ ก, ก็ยังลงจัดมองเห็นอะไรไม่สะดวกห่างกันเพียงระยะสองสามชั่วโมงคงไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงสภาพของแง่ทรายได้รอให้สว่างซะก่อนเป็นเหมาะที่สุดขอให้ทุกคนเชื่อผมเถอะอีกไม่นานก็จะสว่างแล้วแล้วเขาก็หันไปยิ้มกระดารินก้มศีรษะให้ผมขอภาวนาให้ความฝันของคุณหญิงเป็นจริงทุกอย่างนะครับเพื่อว่าเราจะได้ตัวแงทราย และแผนที่เดินทางของเรากลับคืนมาสถิีฉันไม่ต้องการภาวานาในข้อนี้ของใครเลยเพราะฉันมองเห็นชัดๆอยู่แล้วดารินพูดอย่างเชื่อมั่นเต็มที่ตาเป็นประกายด้วยความหวังเอาละเอาละใจเย็นไว้น้อยถึงยังไงเราก็ต้องไปยังสถานที่ซึ่งน้อยเห็นไงทรายนั่งอยู่นั่นแน่นอนเพียงแต่รอให้สว่างซะก่อนตามที่พรานใหญ่บอกเท่านั้นเราต้องเชื่อเขาบ้านค่ำ ม, มืดหมอกลงจัด มองอะไรไม่เห็นน่ะมันเสียงโดยใช่ที่ทุกคนคิดแต่ว่าการที่ออกไปเดี๋ยวนี้น่ะมันเสียงแต่ไม่มีใครคิดบ้างนะว่าแงซายนั่งหลับหมดสติอยู่คนเดียวเช่นนั้นเขาก็ต้องเสียงเหมือนกันดาริบนบ่นจอมพรานทำเป็นไม่ได้ยินเสียงบ่นนั้นซะทุกคนบัดนี้ไม่มีใครง่วงเหงาหานอนกันต่อไปต่นั่งรวมกลุ่มสนทนากัน เร่งเวลาให้ตะวันขึ้นและหมอกยางลงซะโดยเร็วบุญคาถือโอกาสนั้นเล่าให้คณะนายจ้างฟังถึงคนที่เรียนอาคมขขังๆสามารถถอดวิ ญ, ญญาณไปสิงอยู่ในเสือได้ซึ่งแกเคยได้ยินคำบอกเล่ามาก่อนไม่ใช่เรื่องแปลกเลยในายใหญ่ที่มันไตรถ่ายวิ ญ, ญญาณไปสิงอยู่ในเสือหินทำให้มันมีชีวิตขึ้นมาได้นะแกเล่าท่ามกลางความสนใจฟังของทุกคน บุญคำเคยได้ยินรานรุ่นพ่อเล่ากันไว้เสือที่กินคนมากๆวิญญาณของคนเข้าสิงสามารถจะแปลงตัวเป็นคนได้เรียกว่าสมิงแต่คนที่เรียนอาคมในทางเรียกหัวใจเสือหรือข่าเสือในป่ามามากๆวิญญาณของเสือมั่งเข้าสิงทําให้แปลงร่างเป็นเสือได้เหมือนกันเรียกว่าสางสมิงนั่นว่าร้ายแล้ว แต่ก็ยังร้ายกาบสู้สางไม่ได้เพราะสางนั้นเวลามันแปลงเป็นเสือมันมีจิตใจเล่ห์เหลี่ยมความฉลาดของคนเหนือกว่าสัตว์ธรรมดาทําให้แปรมันยากส่วนมากในเขตป่าเมืองไทยเรานะ่ะไม่ค่อยได้ยินคําว่าสางนี่นักแต่ในเขตป่าพามา่าถ้าเอ่ยคาว่าสางพวกชาวป่าเป็นรู้จักดีที่สุดพวกพาม่า หรือพวกชาวเขาเผ่าต่างๆที่เป็นพรานล่าเสือพอแก่ตัวนานๆเข้าก็กลายเป็นสางไปบ่อยๆตามปกติก็จะเป็นคนธรรมดานี่เองแต่พอได้จังหวะเหมาะหรือได้โอกาสมันก็แปลงร่างมาเป็นเสือคาบอาคนไปกินเขาตัวสางกันมากกว่าสมิงนี่พอในายใหญ่เล่านิทานเรื่องนิทานครบุญคำก็เล่านิทานเรื่องสางมั่งทีเดียวนะ ชายันพูดปนหัวเราะแต่เขาก็เต็ไมไปด้วยความสนใจในคําพูดของแกฉันเคยได้ยินแต่ว่าที่เขาเรียกสางน่ะมันหมายถึงเสือโคร่งที่แกงอมจนกระทั่งหมดลายแล้วเหลือแต่สีเหลืองสีดๆทั้งตัวไม่เคยได้ยินว่าสางมันหมายถึงคนที่กลายเป็นเสือน่ะอ้าวจริงๆ น, น, นะนายทหารบุญคําไม่โกหกหรอกสางที่เป็นคน แล้วก็แปลงเป็นเสือได้น่ะมีอยู่จริงๆไม่เคยพม่านี่รู้จักกันดีทีเดียวเอยถึงสางน่ะเขาไม่ได้หมายถึงเสือแก่ที่หมดลายอย่างที่นายทหารว่าหรอกแต่หมายถึงอย่างที่บุญคําบอกแล้วต่างหากอมืมีเรื่องพิสดารมาเล่าให้ฟังอีกละตาคํานี่นะลองเล่ามาสิเป็นไงคนมันแปลงเป็นเสือด้วยตัวของมันเองหรือว่าถอดวิญญาณเข้าไปสิงอยู่ในเสือตัวใดตัวหนึ่ง บุญคำเอามือลูบหัวยิ้มแย่ๆเอ้ข อ, อนี้บุญคำก็ไม่รู้แน่เหมือนกันนะเพราะบุญคำไม่ได้เห็นมากะตาได้ยินพลานเก่าๆเขาเล่าให้ฟังเท่านั้นถึงพ่อบุญคำเองก็เตือนไว้ว่าแกว่าอย่างนี้ไอ้คำเอ้ยรักจะเป็นพรานตาแล้วก็ให้ระวังคนที่มันกลายเป็นเสือเอาไว ไอ้เสือที่มันกลายเป็นคนนะเองไม่ต้องกลัวแล้วแกก็เล่าอะไรต่ออะไรเกี่ยวกับสางให้บุญคําฟังเยอะแยะก็พรพ่อเคยสอนบุญคําไว้อย่างงี้แหละบุญคําถึงได้พยายามบอกให้พรานใหญ่เอาผ้าแซปประจําเดือนผูกคอเสือหินไว้กันไม่ให้วิญญาณของมันไรมาเข้าสิงได้แต่มันไรมันจะเป็นสางอย่างที่พ่อเคยเล่าให้บุญคําฟังไว้หรือเปล่าก็ไม่รู้ เพราะมันมีร่างกายอยู่สองร่างร่างคนร่างหนึ่งแล้วก็ร่างเสือซึ่งเป็นหินอีกร่างหนึ่งส่วนสางที่พ่อเล่าแกว่ามันแปลงตัวเลยแกเล่าให้ฟังว่าเมื่อสมัยที่แกยังหนุ่มๆเที่ยว อ, อยู่ป่าพมา่าแกไปกับครูพรานของแกที่เป็นพมา่าที่หมู่บ้านหนึ่งมีเสือใหญ่เข้ามาอาลวาดลากคนไปกินซะหลายคนแล้ว ไม่มีใครปราบได้เพราะไอ้เสือตัวนั้นมันฉลาดแสนรู้เท่าทันคนล่าไปหมดทุกอย่างต่อให้พรานเก่งสักแค่ไหนไปตามล่ามันมันก็ลากเอากินซะหมดทุกคนครูพรานของแกกัดตัวแกเองสองคนก็เลยออกติดตามครั้งสุดท้ายมันลากเอาลูกสาวรุ่นรุ่นของนายบ้านไปสบไหนที่เป็นผู้หญิงมันกัดกินเฉพาะนม กับโรงที่สาคัญของผู้หญิงเท่านั้นแล้วก็จองจะเอาเฉพาะผู้หญิงาสาวๆเป็นส่วนใหญ่ดูพิกลอยู่ครูพรานของแกก็กระซิบบอกแกว่าไอ้เสือตัวนี้ต้องเป็นสางแน่แน่และมันจะต้องเป็นใครสักคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนั่นเองครูพรานเป็นคนมีอาคมและเรียนมามากทีเดียว ภายหลังจากทําพิธีแล้วก็ชวนพ่อของบุญคําออกติดตามรอยเลือดไปกระยุดชะงักการเล่ายิ้มแหงแหง่เมื่อเหลือไปพบสายตาของพรานใหญ่มองอยู่ก่อนแล้วชา ย, ยันสังเกตเห็นก็หัวเราะแล้วรีบบอกมาว่านาเล่าต่อไปเถอะบุญคําพรานใหญ่ก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกพรานครูกับพรานลูกศิษย์ออกติดตามรอยเลือดไปแล้วยังไงต่อละ่ะพรานเท่า กรมิดกระเมียนอยู่อิดใจหนึ่งพอรพินพยักหน้าเป็นความหมายแกก็เล่าต่อคู่พรานก็่รยคาถาสกุไปตลอดระยะทางที่ตามรอยเลือดไปเปินคาบศิลาที่ถือประจํามือก็ผ่านพิธีกรรมปลุกเสกมาแล้วอย่างดีแกห้ามขาดไม่ให้พ่อของบุญคํายิงหรือแสดงท่ากระโตกกระตากใดๆขึ้นทั้งสิน้นถ้าหากพบเห็นอะไร และห้ามไม่ให้เตลิดวิ่งหนีด้วยแต่ให้คอยตามหลังแก่ไว้ทุกระยะป่าทั้งป่าในขณะนั้น น, นมันเงียบไปหมดแม้แต่ใบไม้เล็กๆก็ไม่กระดิกแล้วทั้งสองคนก็ไต่ลำห้วยแห่งขึ้นไปพบไอ้เสือผีตัวนั้นกำลังหมอบขยํำเยอือยู่ริมจอมปลวกใหญ่ในบริเวณรกทึบตอนหนึ่งพอล่อหัวพ้นขอบลำห้วย ก็ประจันหนะ้ากันห่างแค่เจ็ดแบดว่าเท่านั้นออแล้วยังไงชักตื่นเต้ น, นว่ะเชิดถาสักยิ้มยิ้มมาโดยเร็วทุกคนแทบจะนั่งอ้าปากค้างฟังกเล่าด้วยใจอันเต้นระทึกพ่อของบุญคำก็ตกใจไงหลังพึงลงไปนอนแองแมงอยู่ในลำห้วยไม่ทันเห็นเหตุหการณ์ที่เกิดขึ้นต่อไปอย่างใดทั้งสิน้นแต่ก็เล่าว่ะตอนที่แกไงลงมาเอาหลังตีดิน แกได้ยินเสียงปืนคาบศิลาของพลูครูพรานลั่นสนันวันไหวขึ้นพร้อมกับเสียงคำรามอย่างเจ็บปวดดุร้ายของไอ้เสือรายตัวนั้นเสียงดิ้นตารากเป็นแปลงแล้วก็มีเสียงมันตะกายเพ่นหนีไปพอได้สติลืมตาขึ้นมาก็เห็นครูพรานกระโจมขึ้นตะลิงวิ่งตามขึ้นไปแกก็เลยพวดพลาดตามขึ้นไปบ้างเห็นแต่รอยเลือดสาดกระจายติดใบไม้อยู่รอ บ, รอบ และผูกไม้แหลกเป็นแปลงไอเสือตัวนั้นมันหายไปซะแล้วเหลือแต่ซากของลูกสาวนายบ้านนอนล่อนจอนอยู่นมถูกขย่ำขาดหายไปเต้าหนึ่งครูพรานบอกว่ามันถูกปืนลงชักดิ้นแต่แล้วก็เพ่นลุกขึ้นได้วิ่งปัดปะแคงหนีไปซึ่งซึ่งหน้าแก้ว่ามันไม่รอดแน่แต่จะต้องสมสารกลับไปตายที่ของมันหลังจากนั่งพักกันครู่ใหญ่แล้ว ครูพรานก็ชวนพ่อกลับเข้าหมู่บ้านไม่สนใจที่จะตามรอยเลือดของไอ้เสือตัวนั้นไปพ่อก็สงสัยอยู่แต่ก็ไม่กล้าถามอย่างไรทั้งสิ้นพอกลับมาถึงหมู่บ้านแกก็เรียกประชุมชาวบ้านทั้งหมดบอกให้รู้ว่าไอ้เสือร้ายนะ่ะถูกบุนไปแล้วรอให้มืดสก่อนแกจะพาทุกคนไปดูซากของมันพวกชาวบ้านก็ร้อนใจสงสัยกันอยู่ทุกคน ว่าครูพรานจะพาไปพบซากเสือตัวนั้นได้ที่ไหนครูพรานไม่ตอบคำาใดของใครอีกทรั้งสิน้นเพราะประกาศให้รู้กันแล้วกอปืนขึ้นตั้งขาอย่ง่งบวงสูงปลุกเสกเป็นการใหญ่อีกครั้งหนึ่งพอตะวันตกดินแกก็ให้ชาวบ้านจุดใต้สว่างสวยัยตัวแกเองเดินนำหน้าตรงไปยังกระท่อมของมองอูคินซึ่งตั้งอยู่ชายป่า ห่างจากหมู่บ้านใหญ่ออกมาพอทุกคนเข้าไปถึงหน้ากระทร่อมก็เห็นรอยเลือดจากชายฝั่งลำธารเป็นแนวหายเข้าไปในกระทร่อมรอยตีนของไอ้เสือตัวนั้นที่เหยียบย่ำมามองเห็นได้ชัดทุกคนก็นึกว่าเสือลำบากตัวนั้นคงจะย่องมาเล่นงานมองอูคินจะอีกคนนึงแล้วแต่ที่ไหนได้พอเปิดประตูแคร่เข้าไปก็พบมองอูคิน นอนตายอยู่บนแค่ที่หน้าอกกับที่ท้องเป็นรอยพุ่นไปด้วยกระสุนลูกปลายจากปืนขาบศิลาของครูพรานลักษณะเพิ่งจะเข้ามาขาดใจตายใหม่เพราะตัวยังอุ่นอยู่ในปากเต็มไปด้วยคราบเลือดและเศษเนื้อจากศพของลูกสาวนายบ้านชยยนหดคอแยกเขี้ยวออกมาอย่างหวาดเสียวสยองใจด้ารินกระเชิาก็มีสีหน้าปัญญา้นยาก ทั้งๆ ท, ที่ไม่ได้ศรัทธาเชื่อถืออะไรกับคำบอกเล่าของตาพรานเท่านักนอกจากจะถือเป็นนิทานตื่นเต้นข่าเวลารอแสงตะวันไอ้ ย, ยาเรื่องจริงหรือตะคำเรื่องจริงหรือไม่จริงบุญคำก็ไม่รู้เหมือนกันแต่พ่อบอกว่าพอเห็นกระตาทีเดียวและชาวบ้านก็เพิ่งจะรู้กันตอนนั้นเองว่ามองอูคินนั่นเองที่กลายเป็นสาง ออกล่าชีวิตสาวๆในหมู่บ้านใกล้เคียงมาเป็นเวลานานพยานหลักฐานนั่นมันเห็นชัดอยู่แล้วก็อาจจะเป็นหลักฐานเท็จที่ครูพรานนั่นแกล้งสร้างขึ้นก็ได้นี่คือแกมีอริโกรดเคืองอยู่กับหม่องอูขินนั่นมาก่อนคิดจะฆ่าอยู่แล้วก็เลยสร้างสถานการณ์ขึ้นโดยแอบไปลอบยิงหม่องอูขินทิ้งซะลากศพมาวว้ในบ้านแล้วก็เรียกชาวบ้านให้มาดู ใส่ความว่ามองอุคินน่ะเป็นสางเชี่ยวถาขัดคอด้วยเสียงเรียบๆไม่ถือเป็นเรื่องที่สนใจอะไรนะักไม่รอกนายใหญ่พ่อของบุญคำติดตามไปกับครูพรานรู้เห็นด้วยอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เห็นอยู่ชัดๆกับตาขนาดที่ตามรอยไปว่าเสือขนาดแปดซอกกำลังขยั่กินซากลูกสาวนายบ้านอยู่ริมจอมปลูก แล้วครูพรานก็ยิงออกไปครูพรานน่ะยิงเสือไม่ได้ยิงคนแล้วตอนที่ปืนลั่นตูมก็ได้ยินเสือใหญ่มันคำรามลั่นทีเดียวลูกปืนที่ครูพรานยิงออกไปได้วยปืนปุกเสกลงอาคมมาพบว่าฝังอยู่ในเนื้อตัวของหมองอูคินมันก็พิสูจน์ชัดอยู่แล้วว่ามองอูขินคือเสือตัวนั้น แต่นั่นก็ยังไม่เป็นหลักฐานชัดตรอกนะบุญคำชายันแย้งมาอีกคนบุญคำเล่าเองไม่ใช่เหรอว่าตอนที่เผลมาจากริมฝั่งลำห้วยขึ้นไปพบเสือกำลังแทะซากอยู่นั่นพ่อของบุญคำไงหลังพึงลงไปก้นห้วยแห้งด้วยความตกใจสะก่อนไม่ทันเห็นเหตุการณ์ตอนที่ครูพรานยิงออกไปในกรณีนี้อาจเป็นได้สองในนะ คือหนึ่งเสือใหญ่กําลังหมอบกินซากอยู่จริงครูพรานยิงออกไปแล้วมันก็ไม่ตายอยู่กระที่เบิดหนีไปต่อมาเวลาใดเวลาหนึง่งไล่ไล่กันนั้นตอนที่แกรับตาไปจากพ่อของบุญคําก็ก็แอบไปยิงหมองอูขินให้ตายไว้ซะก่อนแล้วก็เรียกชาวบ้านให้ไปดูบอกว่านั่นแหละเป็นสางหรืออีกอย่างหนึ่งขณะ ท, ที่สะกดรอยตามไปด้วยกันนั้น ก็เห็นเสือกำลังแทะซากอยู่จริงแต่บังเอิญเสือมันไหวทันเพ่นไปสักก่อนแล้วก็บังเอิญบังเ อ, อิญอีกเหมือนกันที่มองอูคินก็ย่องตามเสือมาอีกทางหนึ่งปืนที่ครูพรานยิงออกไปอาจไปถูกมองอูคินเข้าโดยไม่ได้เจตนายุ่ใไม่ก็เป็นเจตนาโดยตรงเพราะเห็นว่าเสือเพ่นหนีไปแล้วเห็นแต่มองอูขินที่เป็นอรีเดินแทนจึงฉลืออากาศยิงทิ้งซะเลย แล้วก็สร้างสถานการณ์บกปิดอำพรางความผิดของตนตาพรานเท่าแห่งเขาอึมครึงสมุนมือขวาของรพินขยับตัวอย่างธรรมัดธรแมงและแบมือขอบุรีจักชายันไปตัวหนึ่งภายหลังจากจุดสูบพ่นควันอย่างละเมียดละไมแล้วแกก็เอ่ยขึ้นอย่างชัดถ้อยชัดคำนายทหารกับนายใหญ่มีเหตุผลที่จะสงสัยเช่นนั้น แต่บุญคำก็มีเหตุผลที่จะเชื่อได้ว่ามันเป็นความจริงเหมือนกันจริงอยู่บุญคำไม่ได้เห็นกตาตัวเองแต่ขณะที่พ่อเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนั้นบุญคำอายุสิบเจ็ดสิบแปดปีแล้วก็ได้เคยสงสัยในคำบอกเล่าของพ่อและซักถามแก่โปโปรงไปเหมือนกันซักจนไม่มีอะไรจะซักและไม่มีข้อสงสัยเหตุผลของบุญคำนะ่ะมีดังนี้ข้อที่หนึ่ง ครูพรานไม่เคยรู้จักหรือมีอาริกโกรธเครืองใดๆกับหม่องอูขินมาก่อนเพราะทั้งแกและพ่อของบุญคำก็ล้วนเป็นคนถิ่นอื่นผ่านมาพบเหตุการณ์และอาสาปราบเสือตัวนั้นให้ชาวบ้านแถบนั้นเท่านั้นข้อที่สองตั้งแต่ย่องเข้าไปยิงเสือตัวนั้นด้วยกันแล้วครูพรานก็ไม่ได้ห่างสายตาพ่อของบุญคไปเลยแม้แต่นิดเดียว จนน่าจะทำให้สงสัยว่าแกแอบย่องไปยิงอูคินได้ตอนไหนข้อที่สตอนที่แกนำชาวบ้านตรงไปที่กระท่อมของอูคินทุกคนก็มองเห็นอยู่ชัดๆว่ามีรอยเสือลำบากเลือดโชกตัวหนึง่งเดินจากป่าเพื่อเข้าไปในกระท่อมหลังนั้นพอเข้าไปถึงแคร่ที่พักนอนภายในรอยเสือที่เดินสีตีนนั้นก็หายไปอย่างไรร่องรอย นี่ก็แต่ตัวอูขินเองนั่นแหละขึ้นไปนอนถูกลูกปืนตายอยู่บนแคร่ตัวยังอุ่นๆ อ, อยู่ในขณะที่ทุกคนไปพบศพเปรียบเทียบกับรอยเลือดของเสือตัวนั้นซึ่งยังใหม่สดุดขณะที่เดินยดเรียมาหน้ากระท่อมและข้อสเศษเนื้อตรงบริเวณเต้านมของลูกสาวนายบ้านที่เสือตัวนั้นกัดตายก็ยังคาอยู่ในปากอูกขิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงหัวนมที่มันซ่อนไว้ใต้ลิน้นสำหรับดารินนั้นมัวแต่สนใจอยู่กับเรื่องที่บุญคำเล่าจนลืมนึกถึงแง่ทายอันเป็นข้อกังวลร้อนรุ่มใจของหล่อนในขณะ น, นี้ไปซะ ช, ชั่วขณะหนึ่งถ้าเช่นนั้นเรื่องนี้ก็แปลกประหลาดอัศจรรย์พอๆกับที่พวกเราพบกันมาแล้วในนรกดำสินะหลอนกล่าวอย่างกระตือรือร้นไม่ได้เห็นเป็นเรื่องเลี้วไหลไรสาระ เหมือนอย่างชายันหรืเชิดาอย่างน้อยที่สุดหล่อนก็เห็นฝีมือของบุญคำมาแล้วและออกจะศรัทธาตาพรานเท่าอยู่ไม่ใช่น้อยก็แปลว่าครูพรานคนนั้นน่ะเขารู้ล่วงหน้าก่อนแล้วสินะว่ามองอูขินนเป็นสางไม่งั้นจะพาชาวบ้านตรงไปที่กระท่อมของอูขินเพื่อเห็นเหตุหการณ์ได้ยังไงถูกแล้วนายหญิงภายหลังจากเรื่องนี้ได้จบสิ้นลงแล้วพ่อบุญคําก็ถามแก่ แกบอกว่าแกรู้มาก่อนแล้วว่าอูขินน่ะเป็นสางแต่ต้องการจะจับให้มั่นคั้นให้ตายเอากันให้คาหนังคาเขาทีเดียวเพราะถ้าบอกเฉยๆชาวบ้านก็จะไม่เชื่อสาเหตุที่รู้ก็คือครูพรานนะ่ะแกไม่ได้เก่งแต่ทางวิชาพรานหรือคาถาไสยศาสตร์เท่านั้นหรอกแกยังเก่งในทางเพ่งกรสินมองเห็นอะไรต่ออะไร ตามปกติแล้วแกก็เลิกล่าสัตว์มานานหันมาถือศีลกินเพนทำตัวเหมือนพระไม่เคยฆ่าสัตว์มาเป็นเวลานับยี่สิบปีก็เพิ่งจะมาปราบสางตัวนี้เท่านั้นเพราะมันอารวาตทำคนเดือดร้อนมานานแกฟังข่าวเสือใหญ่ที่เข้ามาอารวาสกัดกินพรานและฆ่าพวกผู้หญิงหมู่บ้านใกล้ไกลทั่วไปตามไปดูที่ศพคนตายทุกคน แกก็รู้ทันทีว่ามันเป็นสางไม่ใช่เสือพอผ่านมาถึงหมู่บ้านสุดท้ายก่อนที่สางจะเอาลูกสาวของนายบ้านไปแกก็บอกให้นายบ้านเรียกประชุมลูกบ้านทุกคนเพื่อขอดูหน้าแต่ปรากฏว่ามีอูขินคนเดียวที่ไม่ยอมสมาคมกับใครปลูกบ้านอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวห่างออกจากกลุ่มหมู่บ้านทั้งหลายออกไปเป็นที่เปลี่ยวติดกับป่าลึก ดูไม่เกงรงกลัวอันตรายใดๆทั้งสิ้นใครๆก็รู้ว่าอูขิน น, นเป็นพรานล่าเสือมือดีเก่าแก่แต่ย้ายถิ่นมาจากไหนไม่มีใครรู้ความเป็นอยู่อย่างลึกลับไม่ยอมเข้าหน้าคนของอูขินทำให้พวกชาวบ้านทั้งหลายสงสัยว่าอูขินจะเป็นกระสือครูพรานยังไปเยี่ยมอูขินจนถึงกระท่อมเพื่อสังเกตดู แกบอกกับพ่อของบุญคำว่าพ่อแกมองเห็นหน้าสังเกตดูอากัปกิริยาเท่านั้นแกก็รู้ทันทีว่าอูขินคือสางแต่ยังไม่บอกให้พ่อบุญคำหรือใครรู้เท่านั้นเพราะถือว่าบอกไปก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีใครเชื่อจนกระทั่งพอวันรุ่งขึ้นลูกสาวนายบ้านไปตักน้าที่ลำธารแล้วเสือก็ค่าไปและครูพรานก็ออกสะกดตามติดไป กระทั่งผลปรากฏออกมาอย่างที่บุญคำเล่าให้ฟังแล้วนั่นแหละเรื่องเกี่ยวกับสางนี่ไม่เชื่อนายหญิงลองถามไอ้สางปาดูเถอะมันเป็นพรานทางป่าพม่ า, ม, ามันต้องรู้หรือเคยได้ยินมาบ้างแน่ๆดารินหันไปส่งภาษาบอกความเพื่อนสาวต่างผิวของหล่อนทันทีเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่บุญคำเล่ามามาเรียเองก็เพิ่งจะฟังเข้าใจจากคาแปล ก็มีสีหน้าพิลึกอยู่จัดการหันไปส่งภาษาถามต่อกระสางปลาคนของหลอนแล้วก็หันมาบอกหน้าตื่ น, นว่าจริงของตาเท่านะสางปลาบอกว่าเคยได้ยินเกี่ยวกับคำว่าสางนี่ชินหูอยู่เหมือนกันมันหมายถึงคนที่แปลงร่างเป็นเสือโครงได้แต่ก็ไม่เคยพบเองมาก่อนนอกจากได้ยินได้ฟังเขาพูดกันเท่านั้นแต่สางที่ชื่ออูขินนะ่ะสางปลาไม่เคยรู้จัก ชยันสกิดเข่าจอมพรานผู้นั่งเงียบๆไม่มีปฏิกิริยาใดๆอยู่ผู้กอง ม, ม, อมีข้าวเงื่อนมีข้าวเงื่อนหรือเคยระแคระคายอะไรบ้างไหมเกี่ยวกับคําว่าสางตามที่บุญคําว่านี่เมื่อนั้นทุกคนเห็นเขายิ้มนิดๆก็เป็นเรื่องราวอีกชนิดหนึง่งที่นักท่องป่าหรือคนที่ใช้ชีวิตมั่วสุมอยู่กับพวกพรานป่าทั้งหลายมาอย่างโชคชนอาจจะต้องได้ยินเข้สักครั้ง สำหรับสางที่ชื่ออูกขินนี่ผมได้ยินบุญคำเล่าให้ใครต่อใครฟังมาเป็นเวลาถึงสามสิบเจ็ดรอบแล้วรวมทั้งครั้งนี้ด้วยทั้งหมดหัวเราะในคำพูดแบบเรียบๆของเขาแต่ตาพรานเท่าเกาหั ว, หวยิกร้องลั่นมาว่าฮินายกช่างสันจํำเป็นช่างสันจํำซะจริงๆหาว่าบุญคำเล่าเรื่องนี้มาตั้งสามสิบเจ็ดรอบโอยความจริงนะ่ยยังไม่ถึงยี่สิบรอบเลย น, นี่ไม่รักกันจริงก็ไม่เล่าให้ฟังหรอก ทุกคนยิ่งหัวเราะครืนระพินไม่สนใจกับอาการเคืองๆของแกกล่าวกับคณะนายจ้างของเขาว่าในด้านความบอกกล่านะครับแต่สำหรับผมนั้นไม่เคยพบและก็ไม่ขอยืนยันเกี่ยวกับเรื่องสางนี่เท่าที่ได้ยินมาก็ตรงกันกับที่บงคาบอกนั่นแหละครับคือคนแก่กล้าอาคมเรียนมาทางนี้โดยเฉพาะหรือมิฉะนั้นก็คนที่ข้าเสือมามากจนวิญญาณของเสือสิง เมื่อถึงวาระแล้วก็จะมีอิทธิฤทธิ์แปลงร่างเป็นเสือนั้นเมื่อเป็นเสือก็มีนิสัยดุร้ายอมหิดเหมือนสัญชาตญาณดั้งเดิมของเสือทุกอย่างอะคอยดักจับคนแล้วก็ลากาไปกินแบบเดียวกับเสือแต่จะมีสมองฉลาดรู้คิดอย่างเดียวกับคนและเมื่อประกอบอาทญากรรมฆ่าคนในลักษณะเสือเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะกลายร่างมาเป็นคนธรรมดาตามเดิมทาให้เป็นเรื่องลึกลับ และพรานผู้ติดตามล่าทั้งหลายก็ค้นหาไม่พบและหลงได้กลายเป็นเรื่องพิลึกพิลึกเต็มบริคคาถาอาคมแบบนี้แล้วการปราบก็จะต้องมีวิธีพิลึกพิลึกชนิดใช้กำลังภายในแบบเดียวกันนั่นแหละคือจะปราบธรรมดาเหมือนปราบสัตว์ทั่วไปนั้นไม่ได้ต้องประกอบด้วยสายเวทอาคมด้วยสำหรับป่าเมืองไทยนะ่ะเราไม่ค่อยจะได้ยินกันนักส่วนมากก็ได้ยินกันแต่คาว่าเสือสมิงอันหมายถึงเสือผีสิง ทำให้สามารถแปลงเป็นคนได้แต่สางนะ่ะมันเป็นตรงกันข้ามคือธรรมชาติดั้งเดิมมาเป็นคนแต่พอเฮี้ยนร้อนวิชาขึ้นมาก็จะกลายร่างเป็นเสือจึงจัดว่าสางนะ่ะลายกว่าสมิงทางป่าภาคพื้นพมา่านี่จะมีเรื่องราวของสางหนาหูหน่อยส่วนสางที่คุณชัยยันเคยได้ยินและเข้าใจนั้นก็ถูกต้องเหมือนกันครับคือเสือหลายพาดกรอนที่แก่ ง, งอมจนหมดลายแล้วเหลือแต่สีเหลืองสีดๆทั้งตัว พรานปากคนไทยพวกเราก็เรียกว่าสางเหมือนกันครับอืมก็น่าคิดนะน่าคิดมากทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรามาเผชิญกับไอ้มันไทรในลักษณะที่มันกลายร่างเป็นเสือได้มันก็เป็นการสนับสนุนยืนยันให้เราเชื่อได้ทีเดียวว่าเท่าที่บุญคำเล่าหรือที่คุณได้ยินมานั้นมันก็น่าจะมีเขาเงื่อนเป็นจริงอยู่บ้างเหมือนกันชยันว่ายกมือขึ้นลูลายคาง ถึงแม้ว่ามันไรจะมีซากเสือหินไวต้ตหากเพื่อสําหรับถ่ายทอดวิญญาณเข้าไปสิงแล้วกลายร่างเป็นเสือจริงขึ้นมาโดยไม่ได้แปลงตัวบรรดาลเป็นเสือขึ้นมาด้วยตัวเองแต่มันก็ากมาจากหลักการอันเดียวกันนั่นแหละคืออิทธิฤทธิทางโลกีฌานอันเป็นเดราิชานวิชาและเราก็ไม่สามารถจะจับได้คาหนังคาเขาหรือมองเห็นกับตาออกไปชัดๆว่าขณะที่วิญญาณของมันไรสิงในร่างเสือหินนั้น เสือหินได้กระดิกตัวมีเนื้อหนังมังสาขึ้นมาได้ยังไงตลอดเวลาเมื่อเรารเผชิญกับไอ้เสือตัวนั้นมันก็กลายเป็นเสือจริงเคลื่อนไหวได้ขึ้นมาซะและ้วไม่เคยเอามันอยู่หมัดในขณะที่มันยังคงร่างเป็นเสือจริงได้เลยสักครั้งถึงเมื่อตอนที่เราวางกับระเบิดก็เหมือนกันเดี๋วไม่ได้เห็นกระตาแต่อาศัยหลักพิสูจน์แบบเรขาคณิตเท่านั้นในข้อที่ว่า ไอ้เสือหินตัวนั้นกระดิกตัวเคลื่อนไหวขึ้นมาได้กับระเบิดที่วางไว้จึงทำงานขึ้นและภายหลังจากระเบิดแล้วตอนที่เราไปดูแทนที่จะเห็นเป็นเนื้อหนังมังสาของสัตว์มีชีวิตแหลกเละอยู่ก็กลับปรากฏว่าเป็นท่อนหินนั่นเองที่แยกชิ้นส่วนพินาตออกไปแล้วอีกอย่างอดีตนายทหารปืนใหญ่หันไปตบลายบุญคาอย่างเชื่อถือศรัทธาเต็มที่นะสมมติว่า ถ้าเรื่องราวที่บุญคําบอกเล่าหรือเรียนรู้มาเนี่ยเป็นข่าวคมลอยปราศจากความจริงสัทีเดียวทาไมบุญคําถึงเอาหลักการในการแก้เคล็ดอาแก้อาถันมาใช้ปราบมันไตรในครั้งนี้ได้อย่างถูกต้องและสําเร็จลงได้นี่ทํำไมได้ลูกไม้ทีเด็ดของบุญคนะําน่ะป่านี้พวกเราก็คงจะปราบมันไม่ได้และดีไม่ดีใครต่อใครในบรรดาพวกเราก็คงเสียท่ามันลงบ้างแล้วจิงฉันเห็นด้วยยังไม่มีอะไรเครือบแคงอีกะ่ะ หมอดารินรับออกมาอย่างหนักแน่นเต็มใจยิ่งความลีล้ลับในโลกนี่มันมีอยู่จริงมันขึ้นอยู่กับภูมิประเทศเหตุการณ์และสิ่งแวดลอ้อมเมื่อเรายังคนไม่พบยังเรียนไม่ถึงหรือหาทางพิสูจน์ไม่ได้เราก็คิดว่ามันเป็นสิ่งเล้วไหลที่นี่อยู่ที่วันในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราจะได้พบเห็นหรือไม่เท่านั้นฉันเองเป็นแพทย์เป็นนักวิทยาศาสตร์เต็มตัว นักวิทยาศาสตร์ที่เหนือกว่าใครทุกคนในคณะของเรานี่แต่ฉันก็ยอมรับแล้วไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะทําปากแข็งเพื่อกีติภูมิของคนที่เกิดมาท่ามกลางแสงสี อ, รอารยธรรมอย่างเราถึงปากเราจะไม่ยอมรับแต่มันก็ค้านกับความคิดภายในอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไม่ได้หลงเชื่ออย่างงมงายหลับหูหลับตาเท่านั้นและเราต้องการพิสูจน์ทดสอบเพื่อค้นคว้าหาความจริงที่แฝงอยู่เบื้องหลังออกมาให้ได้มากที่สุด เท่าที่จะทำได้ทีเดียวนายหญิงเป็นคนฉลาดจริงๆบุญคำได้ทีก็เลยหยอดยาหอมเข้าให้ฉลาดที่ยอมเชื่อบุญคำใช่มหมเชิถฐาดักคอตาพราณเท่าสันหัวไม่ใช่รอกนายใหญ่จะเชื่อหรือไม่เชื่อบุญคำนะ่ะเป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่นายหญิงพูดได้อย่างฉลาดคือยอมรับฟังได้หมดทุกเรื่อง ไม่ว่ามันจะแปลกพิศราเหลือเชื่อเพียงไรสมองของเรามีอยู่กับตัวเราค่อยคิดเอาเองก็ได้ว่ามันจะจริงหรือไม่ดีกว่าพวกเชากรุงบางคนที่บุญคำคเคยหินมาแล้วอ้วนตัวว่าสีวิไลฉลาดลำ้ำเอะอะก็ต้องหาว่าเหลวไหลไม่เป็นความจริงเอาไว้ก่อนเขารู้กันว่าถ้าพูดอย่างนั้นแล้วก็หมายถึงความเป็นผู้ฉลาด เป็นผู้เจริญของตัวเองบะขงคขมขายมากสิตาเท้าช ย, ยันตบเขาฉาดร้องลั่นออกมาพร้อมกับหัวเราะดังลั่นชอบอกชอบใจนี่หลอกดาพวกเราเขาให้แล้วหรือแม่สำคัญสำคัญสำคั ญ, คญบุญคำยกมือท่วมหัวไหวก้กราบกราบตีนเจ้านายทุกคนสาธุสาธุสิขอให้ธรณีสูบบุญคำเดี๋ยวนี้สิ ถ้าบุญคำด่าพวกเจ้านายนะ่ะบุญคำหมายถึงพวกชาวกรุงอื่นๆตะหากไม่ใช่พวกเจ้านายของบุญคำคณะนี้เลยพวกเจ้านายนะ่ะร่วมเผชิญเหตุการณ์กับบุญคำมาแล้วก็จะรู้เห็นได้เองว่าอะไรมันเป็นอะไรบุญคำหมายถึงเจ้าพวกรู้โก้ชาวกรุงทั้งหลายญาติโยมพวกพ้องของนายห้างอัมพลแกเวลาเดือนเมษายนของทุกๆปี ที่แห่กันมาที่หนองน้ําแห้งไหว้วาให้พรานใหญ่ออกนําเที่ยวล่าสัตว์โอ้ยแต่ละคนคุยโวเก่งทางนั้นบางคนก็เป็นมือปืนแข่งขันชนะเลิศมาแล้วข้างบนยอดไม้สักตัวก็ยังยิงไม่ถูกบอกว่าไม่เหมือนเป้ากระดาษที่ยิงในสนามแข่งมองไม่เห็นตัวมั่งพอเห็นตัวยกปืนมันยกแต่ยินหลอกให้แล้วเพ่นไปซะมั่ง ยิงไม่ทันกลางคืนขึ้นนั่งห้างคุยว่าผีไม่มีในโลกไม่เคยกลัวสิ่งเลวไหลปรากฏว่าตกดึกทูกอะไรก็ไม่รู้ทีลงมาจากห้างแทบคางเหลืองไอ้บ้างก็ตาฝาดมองเพื่อนกันเองเป็นแก้งกวางสาัด ต, ตูมก็ให้เกือบตายซะหลายรายถามพรานใหญ่ดูเหอะไม่เชื่อบุญคำก็หน้าร้อนทุกปีโอ้พรานใหญ่ปวดหัว ต้องคอยรับแขกชาวกรุงของนายห้างอำพลทุกทีจนเป็นที่รู้กันว่าพอใกล้จะถึงหน้าร้อนร้านใหญ่ไม่เคยอยู่น้องน้ำแห้งเลยเข้าป่าลึกไปหลบนอนสะทุกทีสินาวงสนทนาเริ่มคลึกครืนขึ้นเพราะมีตาเท่าเป็นตัวชูโรงระพินถลึงตามองดูแกเป็นเชิงปรามให้สงบปากคำไว้ซะบ้าง ไม่พูดอะไรเรื่อยเปืยพล่อยๆไปนอกลู่นอกทางบุญคําทำท่าเหมือนจะน้าลายแตกคอต่อไปอีกก็เลยยิ้มแย่ยหุบปากลงในทันทีนั้นรู้ตัวเหมือนกันว่าถ้าพรานใหญ่ไม่กระตุกไว้สักก่อนแกก็จะพันนาเรื่อยเฉยไปถึงคุณแสงโสมซึ่งพยายามจะมาเป็นนายหญิงของแกคนนั้นซึ่งพรานใหญ่คงไม่ชอบให้เอ่ยถึงต่อหน้าใครคนหนึ่งที่คอยตะแคงหูพึงดักฟังอยู่ ในขณะนี้เป็นแน่และจะว่าอันที่จริงแกก็สนิทชิดชอบและรักนับถือนายหญิงดารินคนนี้ซะยิ่งกว่านายหญิงแสงโสมนั่นหลายเท่าเทียบกันไม่ได้ก็จริงของบุญคำเหมือนกันนะในข้อนี้พรานกรุงมักจะมาทำเรื่องห้าแต้มอะไรให้พรานป่าเห็นอยู่เสมอเพราะความที่ไม่รู้ชำนาญมาก่อนผสมกับความอวดดีซึ่งพวกเราเองที่มาด้วยกันนี่ ก็ได้รับบทเรียนกันมาแล้วทั้งนั้นเชษดถากล่าวยิ้มยิ้มอย่างอารมณ์ดีพอใจในความฉลาดเฉลียวกลอกลิ้งไปได้ทุกแง่ทุกมุมของตาพรานเท่าซึ่งดูจะมีอะไรพิเศษเหนือกว่าพรานป่าทั่วๆไปวไปผู้ถึงสางก็เพิ่งจะมาได้ยินรู้ความหมายของมันจากบุญคำเล่าเดี๋ยวนี้เองละครั้งแรกนึกว่ามันเป็นคาต่อท้ายเรียกให้คล้องจองกันตามหลักของภาษาไทย ที่มักจะมีคำท้ายที่พุ่มเปือยอยู่เสมอเป็นต้นว่าเสือสางหรือผีสางและถ้าจะพิจารณากันตามความหมายในพจนานุกรมสางก็หมายถึงผีนั่นเองไม่รู้ว่ามันจะมีที่มาใกล้เคียงกับคำว่าเสือก้าให้ด้วยนะในายใหญ่จำไว้เถอะคำว่าเสือสิงสางสมิงมันไปด้วยกันมันพวกเดียวกัน เพียงแต่ว่าไอ้ชนิดไหนน่ะมันจะไร้พิเศษขึ้นไปเท่านั้นมีตะเคยังมีตะโขงได้มีเสือก็มีสางได้เหมือนกันว่าแต่พวกนายน่ะเคยเห็นตะโขงไม่ล่ะตะโขงน่ะมีจริงๆนะไม่ใช่มีเฉพาะที่เด็กมันร้องตะโกนเล่นกันว่าไอ้เคไอ้โของมาโรงไม้สักอะไรนั่นหรอกคณะนายจ้างทุกคนมองดูตาเท่าอย่างทึ่งๆเอ๊ะไม่เลวเนี่ยบุญคำนี่ ไม่สารพัดรู้แล้วก็มีนิทานมากเหลือเกินนะอะไหนเล่าไปอีกสิไอ้โของของบุญคำน่ะเป็นยังไงชายันกระตุ้นมาด้วยอารมณ์สนุกนี่นายทหารนะ่ไม่เคยรู้จักไม่เคยได้ยินมาบ้างหรอกหรอก็เคยร้องเล่นอยู่เหมือนกันแหละตอนสมัยเด็ ก, ดกโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันจะร้องกันก็อีตอนกระโดดน้ำในคลองตูมตูมแล้วพอโตขึ้นมานี่ก็เคยเห็นก็ขังไว้ในสวนสัตว์ฮะ ว่ายังไงนะตะโขงด้วยนายทหารที่เขาขังไว้ในสวนสัตว์โอ้ยมีใครที่ไหนจะจับตัวตะโขงได้บุญคําร้องทําตาโตตาเหลือกชยันหัวเราะจริง ๆ, ๆเขาขังไว้ในสวนสัตว์ใกล้ๆกระบอกตะเค็นนัแหละในเขาดินก็มีตะโขงของนายทหารน่ารูปร่างเป็นยังไงแกถามเร็วปรือเอ้ยไม่ใช่ของฉันหรอกบุญคําขององค์การสวนสัตว์เขา รูปร่างน่ะมันก็เหมือนกับจระเข้นี่แหละแต่ปากน่ะมันยาวเรียวแหลมเหมือนปากปากเข็มหรือปลากระทุงเหวไงตะพรานเท่าโบกมือหัวรอตัวงอโอ้ยไม่ใช่แล้วนายทหารไอ้นั่นน่ะมันไอ้เข็ปากเข็มตะโขงที่ไหนกัโนนโพีโ่โถ่ออ้าวแล้วตะโขงของบุญค่ะมารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงตะโขงน่ะมันอยู่ในบึงหรือลําน้ําเปลี่ยว ใครมีโอกาสเห็นมันก็นับว่าเป็นบุญตาไม่เคยมีใครจับมันไปไว้ในสวนสัตว์ได้หรอกนายทหารรูปร่างนะํามันเหมือนจราร์เขะนะถูกแล้วแต่ตัวใหญ่กว่าไอ้เค้ใหญ่สักสารเท่าจะมูกไม่มีก้อนขี่หมาแต่บนหัวนะ่ะมีเขางอกงวงมาข้างหน้าอันเดียวเหมือนกับนอแรดมีลิ้นด้วยดุรายหน้ากลัวที่สุดเลย สำคัญถ้าทางมันหนักรวยจริงๆแหละตามที่บุญคำว่านะแล้วมันมีอยู่ที่ไหนมั่งละ่ะในหนังทีวีญี่ปุ่นมีมัง่งแล้วกันนายทหารไม่เชื่อบุญคำอีกแล้วโอ้ยไม่ได้มีในหนังขายยารอกแต่มีจริงๆเลาะลำน้มสาละวินขึ้นไปบนบนนู้นแถวแถวรัดเขตวา่านทำโยโกาสไปได้ถึง นายทหารคงจะได้เห็นเองล่ละท่าทางของแกขึงขังจริงจังยิง่งธรรมชายยันนั่งทำตาปริบๆอืมนี่แปลว่าบุญคำเคยเห็นมาแล้วงั้นสิพ่อบอกคราวนี้แกอ้อมแอมในลำคอแล้วยิ้มเห็นเหงือกดำคลําทุกคนหัวเราะขึ้นมาพร้อมกันอีกครั้งไม่มีใครถือสาเป็นอารมณ์นี่ตั้งแต่เข้าป่ากันมานี่ บุญคำมีเรื่องพิลึกกึกคือเล่าให้ฟังไม่เคยซ้ำเลยนะแล้วก็ไม่ยอมหมดสต็อกซะด้วยสิก็เป็นยากแก้ง่วงได้ดีมากเช่นะเชษดถาเปรยปนหัวเราะเบาๆอย่าไปทำเป็นคนสนใจซักซ้ายแก่ข้าวครับคุณชายยันเรื่องในป่านะ่ะบุญคำโม้ยฟังได้เจ็ดวันเจ็ดคืนก็ไม่จบหรอกขะที่หนองน้ำแห้งไม่มีหนังด้วยทีวีจะดูถ้าแกได้ดูทีวีเหมือนกุมารชาวกรุงเมื่อไรแล้วก็ รับรองมีเรื่องเล่าพิสดารมากกว่านี้ครับพรานใหญ่พูดหน้าตาเฉยบะแล้วนายหนอหนายมาด้วยกันแท้ๆขายกันได้บุญคําชําเหลืองคอนปหลับประเลือกบนอุบอิบมองดูพรานใหญ่อย่างเคืองเคืองดารินยิ้มอย่างขันขันมองแกด้วยสายตาสนิทชิดเชือเช้อแล้วเปลี่ยนไปจับอยู่ที่จอมพรานจริงด้วยสินะ มาด้วยกันแ ท, แท้ๆเบานายคู่ขาขัดคอกันได้คุณไม่มีเรื่องอะไรจะล่าพวกเราฟังก็เฉยๆเธอแต่ฉันอยากจะฟังเรื่องแป ล, แป ล, แปลกๆจะบุญคำอย่างน้อยที่สุดมันก็ช่วยฆ่าเวลาได้ไม่งั้นฉันก็นั่งคิดอยู่นี่เองว่าทำไมคุณถึงได้ใจดำไม่ออกไปตามแง่ทรายเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเมื่อไหร่จะสว่างสักทีใจดำอ่ะรู้ไหยใจดาอ่ะประโยคหลังหล่อนกระแทกเสียงแล้วคอน รพินไพรวันมองโคนนั้นอย่างเต็มตายิ้มอยู่ในสีหน้าพลางจุดบุหรี่สูบเอายี่ดีกว่าครับไหนๆจะฟังเรื่องโมกันแล้วผมก็มีเรื่องโมจะเล่าให้ฟังสนุกตื่นเต้นกว่าของบุญคำซะอีกอ่ะผมจะโม้ฟังเองก็ลงโมไปสิดีกว่าจะมานั่งเต๊ะท่านิ่งขรึมเป็นไม้ท่อนอยู่ราชสกุลสาวผู้มีอารมณ์หมันอยู่แล้วพูดมาสบัดสบัด เรื่องที่ผมจะเล่านี่ก็เกี่ยวกับคาว่าสางอีกเหมือนกันเน่ะเราพบกันมาสองสางแล้วสางแรกคือสางเขียวมนุษย์กินคนเผาหลงสำรวจสางที่สองก็คือสางมันไตรเจ้ามนุษย์ที่แปลงร่างเป็นเสือได้อีกสางหนึ่งเรายังไม่พบครับและภาวนาอย่าให้พบเลยถ้าได้พบเป็นได้วิ่งกันปาแตกใช่ละสางอะไรอีกล่ะ สังหาครับบ้านี้ด่าฉันเหรอดารินร้องกรี๊ดลั่นขึ้นมามีอาการเหมือนจะเต้นพรานใหญ่หน้าตื่นหันไปมองหน้าพวกพรานพื้นเมืองของเขาที่แวดล้อมอยู่แล้วมองหน้าราชสกุลสาวผู้มีอาการเกลี้ยวกราดกระฟัดกระเฟียดอยู่ในขณะ น, นี้สลับกันอย่างงุนงงเอ๊ะอะไรกันผมยังไม่ได้ด่าคุณหญิงหรือว่าด่าใครที่ไหนแม้แต่คำเดียวหูคุณหญิงเป็นอะไรไปซะละ ก็ทำไมจะไม่ด่าล่ะคุณพูดว่าอะไรอะตะกี้เนี่ยหญิงสาวตวาดแว๊กหน้าแดงก็ผมพูดว่าสางหาไงก็นั่นแหละสางหาสางเหวอะไรนั่นแหละมันคำด่ากันชัดๆอะระพินเป่าลมออกจากปากพืดลืมตาโตอ้าวตายละเวรกรรมทำไมคุณหญิงถึงกล่าวหาผมอย่างนี้แล้วครับผมพูดคำว่าสาังหาจริง แต่มันไม่ได้เป็นคำด่าหรือคำพรุษสวาดหยาบใดๆทั้งสิ้นนะโธ่อะไรกันคำมันก็บอกอยู่ชัดๆแล้วอะแล้วก็พูดสวนออกมาพูดใส่หน้าฉันไหนบอกมาสิมันหมายถึงอะไรถ้าไม่ใช่คำด่านะ่ะหลอนเสียงแข็งจะเอาเรื่องให้ได้ระพินจุ ป, ปากเบาๆยกมือขึ้นเกาท้ายทอยมองดูหน้าเชิดถากัะชัยยันด้วยอาการพิพักพิพ้วนบอกไม่ถูกนายจ้างชายของเขาทั้งสองคน ผมยิ้มอยู่ก่อนแล้วไม่แสดงอาการว่าจะคิดอะไรมากหรือหูหาเรื่องอย่างนายหญิงนอกจากความกบขันเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับถ้าผมอธิบายคุณหญิงก็จะว่าแก้ตัวลองถามบุญคําดีกว่าว่าสังหานะหมายถึงอะไรนี่อย่ามาแก้เกี้ยวหน่อยเลยฉันเท่าทันหรอกถึงยังไงนายกระบ่าก็ต้องเข้าข้างกันยิ่งตาบุญคำเนะียยิ่งจอมกันล่อน แกคงกลิ้งแก้ไขเจ้านายไปได้วันยังางข้ามแหละอ้าวถ้างั้นก็ลองเลือกถามใครสักคนในระหว่างเด็กๆของผมเหล่าเนี้ยคุณหญิงเลือกเอาเจ้าคนที่เห็นว่ามันซื่อที่สุดแล้วก็ไม่มีปัญญาพอที่จะกะล่อนมูสาเพื่อช่วยแก้ตัวให้ผมเลือกถามอ่ะจะเป็นเกิดจันทร์หรือเสยนี่ก็ได้เจ้าพวกนี้รู้จักคําว่าสางห่ากันดีทั้งนั้นแหละคุณหญิงสังเกตดูหน้าตาของแต่ละคนเอาเถอะครับพอได้ยินคําว่าสางห่าที่ผมพูดถึงนี่ ถ้าทางมันไม่เป็นสุขยังไงบ้างก็เดือกกันทั้งนั้นแหละเด็กๆพวกนี้ของคุณน่ะมันจะโง่สักแค่ไหนเชียวพอฉันถามมันก็จะตกบันไดปล่อยโจรแกล้งพูดไปถึงตัวอะไรที่มันพิลึกกึกกือแล้วคุณก็เฉยโอกาสผสมโรงโมเมไปด้วยและทุกคนก็คงแอบหัวเราะเห็นฉันเป็นตัวตลกไปเอางี้คุณอธิบายคําว่าสางหารมาฉันฟังมันภาษาอังกฤษพวกนี้จะได้ฟังไม่รู้เรื่องและเดี๋ยวฉันจะถามบุญคํา อธิบายซ้ำอีกทีนึงถ้าทั้งสองคนบ่าวนายบอกไม่ตรงกันแล้วก็หน่าชมจอมพรานถอนใจฮึ่ดารินฉลาดเป็นกรดและมีเจตนาอย่างหม้มั่นที่จะจับโกหกเล่นงานเขาให้ได้เชษฐากับชยันก็หัวเราะชอบอกชอบใจเสร็จแล้วรพินเจอปัญญาของของเบงเขาห้แล้วชายันพูดพลางหัวเราะพลาง ไม่เสร็จหรอกครับคุณชายยันเพราะผมไม่ได้โกหกหรือว่าปั้นแต่งขึ้นเองอย่างที่คุณหญิงเข้าใจดีเหมือนกันครับยหยพิสูจน์กันอย่างนั้นก็ได้ผมจะได้พ้นข้อกล่าวหาว่าด่าหรือกล่าวคำหยาบกับคุณหญิงก็ทิบายมาเร็วๆสิดารินพูดกระชากกระชาก อันใหญ่หัวเราะเบาๆอธิบายให้หลอนฟังโดยภาษาต่างประเทศพอเขาบอกจบหล่อนก็หันขวับไปทางบุญคำซึ่งนั่งอาาปากหัวอยู่ถามด้วยอาการยิ้มดุดๆว่าอ่ะบุญคำไหนบอกฉันมาสิสางหานะมันเป็นอะไรบอกไม่ตรงกันนะถ้าบอกผิดแล้วก็เคราะหร้ายทั้งเบาทั้งนายเชียแต่ถ้าสารภาพซะก่อนให้รู้แล้วรู้รอดไปเว่าบุญคาก็ไม่รู้ไม่เคยได้ยินมาก่อนฉันก็จะไม่เอาโทษบุญคา เช่งพรานใหญ่คนเดียวบุญคำเอามือลูบหัวยิ้มแย้ๆทำหน้าพิกลแกก็ชักใจไม่ดีเหมือนกันถามอ้อมแอบมาว่าแล้วพรานใหญ่บอกนายหญิงว่ามันเป็นตัวอะไรล่ะครับก็เรื่องอะไรจะมาย้อนถามใช่ล่ะเขาบอกฉันมาแล้วล่ะแต่ฉันต้องการสอบดูนะว่ามันตรงกับที่บุญคำบอกไหมถ้าบุญคำไม่รู้ก็รับมนซะตรงๆเป็นไงไม่รู้ใช่ไหม ระโยกหลังหล่อนชี้หน้าคาดคันมาเสร็จแล้วสินายตายแน่คราวนี้ต้องตายแน่ๆตาพรานเท่าครางเป็นเพลงอ่อยๆด้วยสำเนียงคนเมืองการของแกหันไปทำหน้ามอยมองระพินอ๋อหูสินะนายถ้าบุญคำบอกนายหญิงไปไม่ตรงกับที่นายบอกบุญคำก็ไม่รู้ซะด้วยว่านายบอกนายหญิงไปว่ายังไง จะเคราะรายคนเดียวก็ไม่ได้โธ่เอ้ยต้องพลอยให้บุญคำเคราะรายไปด้วยเ อ, อ้ยเจ้าพระคุณเ อ, อ้ยคราวนี้ระพินชักฉุนร้องมาว่าไะโทษแล้วกันถ้าเป็นปากเสียไปได้ที่บุญคำไม่ต้องมาทำรี ร, รีรอรออยู่หรอกอธิบายนหญิงฟังไปตามที่บุญคำรู้ก็แล้วกันไม่ต้องมาทำว่ า, า จ, จะเดือดร้อนแทนฉันด้วยหรือทาไมคยรู้ก็บอกนายหญิงไปตามตรงแล้วกัน บุญคำยิ้มแย่ๆอยู่ในอาการเดิมเราสินายทำไมบุญคำจะไม่รู้ชื่อนี้แกว่าเสียงอ้อมแอมอยู่ในลําคอแล้วหันไปทางนายหญิงไอ้สางหาน่ะเป็นงูใหญ่ชนิดหนึ่งนายหญิงแต่มีตีนสี่ตีนบางขนาดน่ะมันเดินแต่บางขนาดมันเลือ้อยถ้าจะไปเร็วมันก็เลื้อยไปพิษมันจะร้ายสักขนาดไหน บุญคำก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เขาเล่ากันว่าทางที่ตัวมันเลื้อยผ่านไปนะ่ะกิ่งไม้ใบไม้ ส, ดสดุสดๆจะไหม้เกรียมเป็นทางเราก็ถูกไฟเผาทีเดียวพรานใหญ่บอกนาะยหญิงไว้ตรงกับที่บุญคำว่านี่หรือเปล่าล่ะครับดารินเม่มริมฝีปากยิ้มออกมาได้นิดหนึ่งเปลี่ยนสายตาไปจับจุดที่ระพินมองเขาอยู่ก่อนแล้วรีบบอกมาว่า เป็นไงสงสัยอีกระมังครับว่าบุญคำฟังที่ผมอธิบายให้คุณหญิงเมื่อครู่นี้เข้าใจเปล่าไม่สงสัยในข้อนั้นหรอกแต่สงสัยลักษณะรูปร่างของตัวสังหาที่ว่ามันนี่เสียมากกว่าก็แปลว่าผมพลน็หาไปได้ใช่ไหมขอโทษถ้าหูของฉันจะหาเรื่องไปบ้างแต่ก็น่าจะให้เข้าใจอย่างนั้นอยู่หรอกไม่ยางเหรอ ตัวบ้าบออะไรชื่อไม่น่าฟังอย่างนั้นแล้วอยู่ๆคุณก็มาพูดพรววใส่หน้าฉันก็นึกว่าด่าฉันนะสิชัยันสกิดจอมพรานบอกหน้าตาเฉยนี่ระพิอย่าไปถือสาเขาเลยเขาก็เป็นนักกีฬาพอที่จะยอมรับตรงๆแล้วนี่ว่าหูหาเรื่องอยู่แล้วได้ทีผสมโรงอีกแล้วเหรอชัยันรอนหันไปมองหน้าเพื่อนชายอย่างไม่เบื่อไม่เมาอ้าวอามัวแต่จ้องทะเลาะกันอยู่นั่นแหละ ก็เลยไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับไอตัวสางหากับสักทีนี่พี่ชายแทรกกลางมาเราพูดกันถึงคําว่าสางอยู่แล้วแล้วคุณหญิงก็หาว่าผมไม่มีเรื่องอะไรจะมาบอกเล่าให้ฟังเสบ้างเลยผมก็เลยเอาตระกูลสางเนี่มาบอกใส่หมดสางเขียวก็มีละสางเฉยเฉยก็มีล้วอีกสางหนึง่งอันเป็นสางสุดท้ายก็คือสางหานี่แหละแท้จริงจะมียังไงก็นึกเสว่าเขาเล่าว่ากันแล้วกันนะครับ อย่าพูดถึงมันบ่อยๆเลยนายบุญคำไม่อยากจะได้ยินเลยฟังแล้วใจไม่สบายเรียกหามันบ่อยๆมันดันโผล่ไม้เห็นจริงๆละ่ะเฮ้พวกเราจะเดือดร้อนกันอีกบุญคำพูดออมๆเสียงท้าทางแกและพวกพรานพื้นเมืองทุกคนดูจะไม่สบายใจเอาจริงๆไม่ได้เกิดจากอาการแส่งกระทาคณะเจ้านายทั้งสามก็สังเกตเห็นอยู่เกิดเสยและจัน หันไปจับกลุ่มพูดอะไรกันซุบซิบถ้าเป็นสมัยของการเริ่มเดินทางระยะต้นเจตหาชยยันดารินก็คงจะหัวเราะกันคลื่นเครงและเห็นว่าเป็นเรื่องเหลวไหลที่สุดในคำอธิบายของบุญคำเมื่อครู่นี้แต่เดี๋ยวนี้ความคุ้นเคยกับสิ่งมหัศจรรย์แปลกๆอย่างที่ไม่คาดฝันว่าจะได้พบมาก่อนทาให้เห็นเป็นเรื่องสามัญธรรมดาที่สุดในรายงานข่าวของงูประหลาดชนิดนั้น และก็ไม่มีใครเห็นว่าเป็นเรื่องชวนขบขันแม้กระทั่งมาเรียฮอฟมันเองซึ่งพ้อยได้รับการกระซิบแปรถ่ายทอดของดารินถึงข้อความในการสนทนามีรานงานข่าวยืนยันได้แน่นอนเพียงไหนละ่ะเกี่ยวกับไอตัวชื่อแปลกนี่ชัยยันถามระพินหัวเราะย่างขันขันตัวเองก็คำบอกเล่ากันต่อๆมาน่นและครับสาหรับผมเอง เคยได้ยิงจากพระธุดงค์รูปหนึ่งท่านเคยเล่าให้ฟังไว้นานแล้วครับตั้งแต่สมัยที่ผมยังตระเวนอยู่ในป่าแคว้นฉานสมัยนั้นยังเป็นตำรวจชายแดนพวกอาจารย์ที่นั่งทางในเก่งๆ ก, ก็เคยพูดถึงตัวสังหาเอาไว้ในลักษณะเดียวกันมันจะเป็นสัตว์ในนิยายหรือในมิติที่4อันเป็นแดนคิดฝันสร้างมโนภาพขึ้นเองของมนุษย์เรายังไงก็ไม่ทราบได้นะครับ ถ้าพูดกันถึงในทางศาสนาหรือพวกธรรมะธรรมโมก็บอกว่ามันเป็นสัตว์ที่ถูกบันดาลขึ้นมาด้วยบุรพกรรมของแต่ละบุคคลที่เผชิญหน้ามันถ้าไม่โชคดีประเสริฐสุดก็คงจะโชคร้ายอย่างมหาเคราะห์ทีเดียวแต่ผมก็ยังไม่เคยพบใครที่เผชิญหน้ากับตัวชนิดนี้ด้วยตนเองแล้วมาเล่าความให้ผมฟังเลยถึงพระธุดง์ที่เล่าความให้ผมฟังท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้ลืมตาเห็น หากแต่หลับตาเห็นในระหว่างที่เดินตัดช่องเขาขาดแห่งหนึ่งวันนั้นท่านธุดงโดดเดี่ยวไปองคเดียวกลางวันแสกเกิดเป็นพายุหมุนป่าปั่นปวนไปหมดท่านหาทางออกไม่ได้ทั้งทั้งที่ก็เคยเดินผ่านเส้นทางนั้นมาก่อนแล้วและเคยจำทางได้อย่างแม่นยำจึงเข้าชานเล็งดูด้วยตาทิพก็เห็นไอตัวชนิดนี้มันดักขวางทางอยู่เบื้องหน้าท่านก็จเจริญศีลภาวนา แผ่เมตตาให้ไปมันจึงยอมเปิดทางเลื้อยหนีไปซะเมื่อท่านค้นหาทางพบและเดินต่อไปจึงพบรอยที่มันนอนขวางหน้าและเลื้อยเคลื่อนตัวไปใบไม้แห้งตามพื้นและพุ่มไม้เตี้ยเตี้ยไม่เกรียมเป็นทางเราก็ใครลากซุงที่ติดไฟแดงทั้งต้นไปกับพื้นส่วนพวกที่นั่งทางในก็บอกว่ามักจะพบเห็นมันเสมอ ในระยะต้นๆของการฝึกนั่งวิปัสสนากรรมาฐานเมื่อาการเหมือนจะเข้ามาทำร้ายบางคนเรียนไม่สำเร็จผลก็เพราะววาดกลัวตกใจซะก่อนมันมักจะมาเป็นมารขวางกั้นอยู่เสมอก็เรียกว่าสัตว์ประหลาดในแดนสนธยานั่นเองดารินเปลยขึ้นจะเรียกอย่างนั้นก็ได้ครับและความจริงมันก็ถูกต้องแล้วแต่ตั้งแต่เราล่วงเข้านรกดามานี่ เราก็ผาเผชิญกับสารพัด ส, สิ่งที่มันอยู่ในแดนสุนธยาทั้งนั้นแม้กระทั่งความเป็นมาของนิทรานครคนเคยมีชีวิตอยู่สมัยกี่หมื่นกี่พันปีไม่ทราบสามารถขับเคี้ยวเป็นศัตรูกับเราได้เสือหินที่กลายร่างมาเป็นเสือจริงพันธุมวดีที่นอนอยู่ในโรงแก้วบอกกลางคืนกลายเป็นค้างค า, าวสูบเลือดตะขาบตัวโตเท่าต้นรังอะไรต่ออะไรเหล่านี้มันไม่ทำให้ไอตัวสังหาที่ผมพูดถึงนี่ กลายเป็นสัตว์ประหลาดไปเลยจนนิดเดียวมันอาจจะโผล่มาทักทายกับเราเมื่อไหร่ก็ได้และผมก็ไม่คิดว่ามันจะร้ากาดมหัดสัจจันพันลึกไปกว่าที่เราได้ผ่านกันมาแล้วและไม่ว่าภัยร้ายกาดใดๆในทุกสถานการณ์คงไม่เกินเลยความรู้ความสามารถสติปัญญาและดวงชะตาของพวกเราไปได้ถูกละไม่มีอะไรจะน่ากลัวไร้กาดกว่าเท่าที่เราผ่านพบกันมาแล้วหรอกชัยยันว่า ก็ไม่แน่นักนะอนาคตนะ่ยยังเป็นสิ่งที่เรายังทำนายไม่ได้แต่อย่างน้อยที่สุดเราก็มีประสบการณ์ความชนานาญเป็นต้นทุนอยู่เต็มที่ข้อนี้แหละที่ทำให้เราไม่หวาดหวั่นพรั่นพรึงเชะท้ากล่าวอย่างสุ ข, ขุมคำเพรภาการหาอุบายหลอกล่อชวนคุยเพื่อทวงเวลารอคอยแสงตะวันของรพินไพรวันได้ผล นักมานุษยวิทยาสาวลืมความเร่าร้อนกระวนกระวายใจที่จะออกติดตามแง่ทรายลงได้ชั่วขณะจนกระทั่งในที่สุดฟ้าก็สางสามารถมองเห็นหน้ากันได้ถนัดโดยไม่ต้องอาศัยแสงไฟมันเป็นยามเช้าที่ทัศนวิสัยดีกว่าทุกวันที่ผ่านมาพอแดดเริ่มสาดแสงกระจายไปทั่วยอดไม้หมอกก็จางระเหยไปอย่างรวดเร็ว ทั้งหมดมีเวลาเตรียมพร้อมอยู่ล่วงหน้าแล้วจึงไม่มีอะไรจะต้องเสียเวลาอีกทั้งสิน้นระพินสั่งให้บุญคํากับสางปาเพียงสองคนอยู่เฝ้าแคมป์และให้มีหน้าที่เตรียมอาหารคอยท่าทุกคนไว้นอกนั้นให้ร่วมไปกับคณะทั้งหมดรวมกลุ่มกันเป็นหมู่เดินตัดทางลงจากเนินที่พักโดยเร็วแวะตรวจดูที่กองขี้เท่าใหญ่อันเป็นที่เผาซาของมันไรและคำภีมายาวิน เมื่อเย็นวันนี้ขยินกับพวกครานพื้นเมืองช่วยกันเอาไม้เกลีย่ยดูในกองเท่าขาโพลนเหล่านั้นคุยเอาเศษกระดูกบางส่วนของไอ้ผีพันปีซึ่งบัดนี้ไม่สามารถจะบอกได้แล้วว่าเป็นกระดูกส่วนไหนบ้างขึ้นมาดูทุกคนจ้องอยู่ที่ซากของกองพลึงนั้นเงียบงันกันไปชั่วขณะหมดเวรกันสะทียงไปที่ชอบเถอะ ถ้รรมีโอกาสจะอุทิศสวนกุศลไปให้นะเชิถทายืนปล่งมาเรียฮอฟมันทีท่วนและฉับไวเสมอตามสัญชาตยานพรานหลอนเป็นเพียงคนเดียวในคณะเท่านั้นที่สังเกตเห็นรอยเท้าแปลกปลอมที่เข้ามาเหยียบย่ำไว้ใกล้กองไฟเมื่อคืนยกเว้นระผิดกับท่านหัวหน้าคณะซึ่งรู้เห็นอยู่ก่อนแล้วเอ๋หลอนร้องเสียงสูงขมวดคิ้ว ตามองกราดไล่ระไปตามพื้นใกล้เคียงและไปสิ้นสุดเอาที่รอยสุดท้ายซึ่งลับหายเข้าไปในหมู่หินเสียงร้องแสดงอาการแปลกใจชนิดนั้นทำให้ดารินชัยยันและพวกพรานพื้นเมืองหันขวับไปมองดูหลอนพรานใหญ่กับเชษฐาก็เห็นอาการของมาเรียนนั้นได้จึงแลสบตากันเงียบเงียบมีอะไรผิดปกติเหรอเมช ย, ยันถามโดยเร็วสือเท้าเข้าไปใกล้แหมมสาว ตา ม, มองตามแต่ก็ยังไม่เข้าใจอะไรอยู่ดีอดีตพญาาไม้ของดอกเตอร์ฮอฟมันมีสีหน้าโงนเต็มที่เงยหน้าขึ้นเหมือนจะมองค้นหาใครคนหนึ่งแล้วก็พบระพินกำลังยืนมองอยู่เงียบๆก่อนแล้วหล่อนจ้องเขาไพยวันหล่อนเอ่ยเรียกเขาเสียงหนักๆไม่กล่าวอะไรอีกหากแต่พยักหน้าเป็นความหมายไปยังรอยเท้าอันเกิดจากขี้เท้าที่เหยียบย่าไว้ให้เขาดู ครับผมกับคุณชายเห็นมาก่อนแล้วตั้งแต่เมื่อคืนครับจอมพรานบอกเรียบเรียบยิงทำให้ทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชายยันกับดารินซึ่งไม่รู้เรื่องอะไรมาก่อนยิ่งงงจัดส่วนพวกพรานพื้นเมืองพอตรวจพบรอยนั้นเข้าก็มองออกมองสาวรอยไปโดยเร็วย่างตื่นตื่นสะดุดเข้ากับความแปลกปลอมนั้นเช่นกันแต่มันเกิดขึ้นภายหลังจากที่มาเรียบพบเข้าก่อน ไอ้หมายความยังไงเห็นอะไรตั้งแต่เมื่อคืนดารินร้องออกมามองหน่ารพินมองมาเรียแล้วก็ก้มดูรอยเท้าเมื่อคืนนี้ประมาณสามทุ่มเศษครับขณะที่ทุกคนนอนหลับหมดแล้วแง่ท า, ายได้มายืนอยู่ตรงกองไฟที่เราเผาซากมันไรนี่แหละครับเชษฐาเป็นคนบอกขึ้นตามตรงพี่กับรพินเห็นเลยลงมาดูก่อนแล้วล่ะ แง่ทรายหลบไปก่อนที่เราจะลงมาถึงเหลือไว้แต่รอยตีนที่เหยียบขี้เท้านั่นก็อย่างที่เห็นนั่นแหละแง่ทรายมาที่นี่เมื่อคืนนี้เหรอชยันร้องลั่นลืมตาโพล่ได้ยังไงกันทำไมฉันไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลยสักนิดนึงอ่ะก็บอกแล้วไงว่าทุกคนหลบับไม่มีใครรู้เรื่องนี้หรอกนอกจากฉันกับระพินเพียงสองคนเท่านั้นแหละไม่เห็นพี่ใหญ่หรือระพินแร้งใครอะไรเลยนี ดารินพูดโดยเร็วอย่างงุนงงจ้องหน้าพี่ชายกับพรานใหญ่สลับกันพี่กระพินเห็นว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญหรือจำเป็นยังไงก็เลยไม่ได้บอกก็ก่าว่าจะบอกตอนเช้าวันนี้เหมือนกันพอดีเมมองเห็นแล้วก็สงสัยขึ้นก่อนไปยังไงไมายังไงกันไหนลองเล่าให้ฟังมั่งทิชายันถามตื่นตื่นเชษฐาอธิบายสั้นๆให้ทุกคนทราบถึงเรื่องราวเมื่อคือนที่ผ่านมา ซึ่งมีเขากระจอมพรานรู้เห็นกันเพียงสองคนทั้งหมดพากันประหลาดใจและตื่นงงกันไปหมดไม่หมายความว่ายังไงกันนี่แง่ทรายแอบเข้ามาดูที่กองไฟเผาซากไอ้มันไรจนถึงที่นี่เชียวเหรอแล้ไหนน้อยบอกว่ามองเห็นแง่ทรายไปนั่งหลับอยู่ที่โคนต้นไม้ซึ่งเรากำลังจะตามไปดูกันเดี๋ยวนี้ไงก็เมื่อคืนนี้เขาเข้ามาตรงนี้แท้ แง่ชายมายืนอยู่ตรงนี้เมื่อคืนนี้จริงครับเวลาประมาณสักสามทุ่มเศษอย่างที่คุณชายบอกแล้วเมื่อพบกับคุณชายเมื่อผมกับคุณชายตามลงมาก็ปรากฏว่ามันแผลหนีไปสะ ก, ก่อนเราสองคนเห็นว่าไม่จําเป็นที่จะต้องตามในเวกลางคืนเช่นนั้นก็เลยถอยกลับขึ้นแคมป์ก่อนลักษณะของแง่ชายขาะที่มายืนอยู่ดูซากมันไรที่นี่ยังเป็นลักษณะของคนที่ถูกวิญ ญ, ญาณอื่นเข้าสิง ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นจริงก็แปลว่าขณะนั้นวรมันยังสิงครองร่างแงซายอยู่และมาดูที่กองไฟนี่ในนามของขุนพลวรมันความฝันของคุณหญิงเกิดขึ้นเวลาใกล้รุ่งเข้าไปมากแล้วก็อาจเป็นไปได้ครับในข้อที่ว่าภายหลังจากมาดูซากมันไรถูกเผาจนเป็นที่แน่ใจแล้วก็ร่างของแง่ายไปนั่งพักอยู่ที่ใต้โคนไม้ใหญ่ แล้วถอนวิญญาณออกหลังจากนั้นก็มาเข้าฝันบอกคุณหญิงที่ผมพูดนี่ก็เพื่อจะลากเหตุการณ์ให้เข้ามาประสานรอยกันเท็จริงยังไงประเดี๋ยวเราก็คงจะรู้ละครับถ้าเราไปถึงที่ซึ่งคุณหญิงบอกว่ามองเห็นภาพของแง่ทรายนั่งหลับอยู่แปลกมากนะฉันเชื่อว่าคงจะเป็นอย่างที่พรานใหญ่พูดนั่นแหละแต่ฉันคิดไปไม่ถึงเลยนะว่า ว่ารามันจะย้อนมาดูกองไฟที่เผาซากมันไรเป็นครั้งสุดท้ายใกล้ๆกับที่พักเราแค่นี้เองตอนนั้นฉันหลับสนิทจ้ะดารินอุทานออกมาแล้วจะเอาอย่างไงกันดีล่ะเนี่ยจะเอาแกะรอยตามรอยตีนของแงซทายที่เดินเข้ามาเมื่อคืนนี้ไปหรือว่าเราจะมุ่งไปตามตำแหน่งที่น้อยเห็นในฝันเลยล่ะมาเรียถามทุกคนลงไปตามตำแหน่งที่คุณหญิงเชื่อมั่นก่อนดีกว่าครับ ถ้าผิดพลาดยังไงเราค่อยหันมาพิจรารณาทางด้านนี้ทีหลังพรานใหญ่บอกแล้วเงยหน้าขึ้นมองหน้าราชสกุลสาวเป็นเครื่องหมายเตือนดารินเข้าใจความหมายนั้นเคลื่อนออกนำหน้าตัดลุยข้ามลำธารไปในทันทีนั้นโดยไม่ยอมเสียเวลาแม้แต่นิดหนึ่ง เต็ไมได้วยความมั่นใจในทิศทางไม่มีใครปริปากคําใดในขณะนั้นนอกจากออกเดินตามหล่อนไปเป็นขบวนอย่างเงียบกริบพอข้ามพ้นฐานน้ำที่ขวางกั้นอยู่หล่อนก็ยึดเส้นทางดานซึ่งจะบ่ายหน้าไปยังปราศาสพันธุมวดีสาวเท้าเร่งเวลาไปอย่างรีบรุดเฉษฐากับชายันกระชันชิดติดหลังไปโดยไม่ยอมทอดระยะห่าง ส่วนจอมพรานผ่อนฝีเท้าลงไปรังอยู่ท้ายขบวนสังเกตภูมิประเทศรอบๆและร่องรอยอื่นๆไปด้วยสัญชาตญาณเคยชินประจำนิสัยเบื้องหน้าหัวขบวนเพื่อนและพี่ชายก้าวขนาบหญิงสาวเข้ามาเกียงข้างนี่น้อยแน่ใจนะว่าจำทางได้พี่ชายพี่ชายถามอย่างเป็นห่วงแน่ใจสิครับพี่ใหญ่ต้นไม้ทุกต้น ก้อนหินทุกก้อนหรือทางด่านทุกแยกนอกจากจะจําได้จากการที่เคยเดินผ่านจริงมาก่อนแล้วในภาพความฝันของน้อยขณะที่ไปกระขุนพลวรมันก็จําได้อย่างติดตารับรองไม่พลาดแน่ค่ะนี่เราจะไปที่ไหนเนี่ยถ้ำที่ระเบิดเสือหินไม่ใช่เหรอชัยยันถามบเบามาบ้างดารินพยักหน้าใช่เราจะมุ่งไปที่นั่นก่อน แล้วก็จะเห็นต้นเสลียงยืนต้นโดดเดี่ยวรังงานอยู่ในแอ่งของไหลเนินด้านใต้ใต้โคนเสลียงนั่นแหละถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแง่ใาสาก็ควรจะนั่งหลับหมดสติรอคอยเราอยู่ตรงนั้นพี่ชายยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูแล้วก็พึมพำออกมาว่าถ้างั้นอย่างช้าไม่เกินยี่สิบนาทีนี้เราควรจะไปถึงที่นั่นถ้าน้อยจาทางไม่ผิด เบื้องหลังท้ายขบวนมาเรียฮอปมั่นปล่อยให้ขยินเกิดจันร์และเสยเดินผ่านหน้าไปก่อนโดยหลีกเข้าข้างทางถ่งเวลาคอยจนกระทั่งพานใหญ่ซึ่งเดินอยู่เบื้องหลังผ่านมาถึงจึงตีขนาบใกล้ชิดมาไม่กลิ่นไม่ดีอะไรเหรอลอนถามแล้วขอต่อบุหรี่จากไฟบุหรี่ที่เขาถือสูบอยู่ก่อนแล้วปล่าทําไม ก็เห็นลงมาคอยระวังอยู่ข้างหลังก็ไม่มีอะไรหรอกแต่ผมไม่ชอบประมาทตาเขียวาวาววามคู่นั้นชำเลืองผ่านใบหน้าเขาคุณคิดว่าความฝันของน้อยจะเป็นความจริงไหมในด้านไหนละ่ะก็ทุกด้านละ่ะความเป็นมาของนิทานครโดยพิสดารและงแงซายซึ่งนั่งหลับอยู่ใต้ต้นไม้ที่เขาเชื่อมั่นเอาซะจริงๆในขณะนี้ มาเรยิ้มปากเแบะเบอันเป็นลักษณะยิ้มยันของหลอนแต่ก็ดูไม่น่าเกลียดรงข้ามก็ยิ้มลักษณะนี่แหละที่ทำให้เขาอยากจะเฟ้นฟอนใช่แหลดไปกามือแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเพียงแต่อำนาจฝ่ายสูงเท่านั้นที่เหนี่ยรังยับยั้งไว้ฉันก็บอกไม่ถูกเหมือนกันแ่ะแต่ก็รู้ว่าคุณไม่เชื่อใจของคุณเองยังไม่รู้ แล้วคุณจะมารู้ใจผมได้ยังไงเมื่อคืนนี้หล่อนเปลี่ยนเรื่องพู่เอื้อมมือไปเด็ดช่อดอกรสสุคนซึ่งขึ้นเป็นซุ้มอยู่ริมทางมาถือแขวงเล่นอย่างปราศจากความหมายแล้วยกขึ้นดมก่อนที่จะถึงเวรของชัยยันเขาตื่นขึ้นมาก่อนเวรไม่ใช่เหรอผมหลับโอ้หกเขาตื่นขึ้นมาแล้วก็ไปนั่งคุยอะไรกับคุณที่ริมกองไฟ แปล ว, ว่าคุณเห็นใช่ฉันเห็นคุณไม่ได้หลับหรกเหรออย่างน้อยที่สุดตอนนั้นฉันก็บังเอิญตื่นขึ้นมาล่ะก็แปลกดีนี่ตอนนั้นคุณไม่ได้แสดงให้เราเห็นเลยนี่ว่าคุณรู้สึกตัวมาเรียยิ้มในอาการเดิมก็ทําไมฉันถึงจะต้องให้คุณหรือใครรู้ด้วยล่ะเอาล่ะคุณก็บชายันคุยกันเรื่องอะไร พรานใหญ่วางสีหน้าตายแต่ในใจสะดุ้งบอกกับตัวเองว่ามาเรียมีความรู้สึกที่เฉียบไวและฉลาดเท่าทันซนิกระไรแต่เขาก็เชื่อว่าถึงแม่หล่อนจะตื่นและคอยจับสังเกตอยู่ในระหว่างเขากระชัยยันนั่งสนทนากันอยู่หล่อนก็คงไม่ถึงกามีหูทิพขนาดที่ได้ยินข้อความสนทนาได้แน่นอนเพราะระยะห่างกันออกมา และเขากับชายันก็พูดกันด้วยเสียงดังไม่เกินกระซิบอย่างไรก็ตามการถามแบบจีจุดชนิดนั้นมันสอหอเห็นถึงความระแวงของหล่อนซึ่งมันก็ตรงกับความจริงมีอะไรที่ทำให้คุณต้องอยากรู้ด้วยละ่ะว่าผมกับคุณชายันคุยอะไรกันก็กับกิริยาท่าทีแลวก็สิ่งแวดล้อมบางสิ่งบางอย่าง ทำไมหรือครับฉันสงสัยว่ามันน่าจะมีอะไรเกี่ยวข้องมาถึงฉันสิไม่มีอะไรเกี่ยวข้องถึงคุณรอกเมย์นินทาฉันใช่ไหมหลอนถามโพ่งมาตรงๆโดยไม่สนใจกับคําตอบปฏิเสธของเขาพรานใหญ่อัดก้นบุหรี่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วโยนไปกับพื้นเบื้องหนะ้าใช้เท้าก้าวเดินเหยียบไปให้มันดับกลางทางด่าน เมเราเป็นสุภาพบุรุษแล้วเราก็ไม่นินทาผู้หญิงหรือใครๆหรอกนะบางคันน่ะและบ่อยครั้งอยู่เหมือนกันที่สุภาพบุรุษก็จำเป็นจะต้องโกหกเพื่อความดีงามมันเกิดขึ้นแกทุกฝ่ายมาริยอมองหน้าอย่างเท่าทันนี่ถามจริงเหอะชัะยันเล่าอะไรคุณฟังบ้างแล้วคุณว่าเล่าอะไรเล่า เล่าเกี่ยวกับฉันไงเอ๊ะคุณมีอะไรเกี่ยวกับคุณชายยันเหรอเขาถึงจะต้องมาเล่าให้ผมฟังอะ่ะเจอเอาเหลี่ยมอันคมกริบของหนุ่มไทยเขาแบบนี้แม่สาวเลือดยุโรปก็รู้สึกว่าตนเองเสียท่าไปถนัดใจหล่อนอึ้งงันไปพักใจแล้วก็เล่นงานโครมเขาให้อย่างกรดว่าชายยันก็เคยเล่าฉันฟังว่าเขากำน้อยรักกันถ้ากลับไปถึงกรุงเทพเมื่อไร เขาจะแต่งงานกันเมื่อ น, นั้นเหมินจะเถอะไม่มีปฏิกิริยาสะดุง้งสะเทือนผิดปกติใดๆอยากสีหน้าอาการของรพินไพรวันที่จะให้หลอนสังเกตเห็นได้รงกันข้ามกลับสวนรอยอย่างสนิทไม่ใช่ข่าวไม่รอกเมผมรู้มาตั้งนานแล้วเมื่อคืนนี้คุณชายันก็พูดกับผมถึงเรื่องนี้แหละทางออกได้สวยมากนะไพรวัน ว่าแล้วหล่อนก็หยุดชะงักลงพร้อมเขาเมื่อเดินมาถึงที่เทลาดเหนือไหลของเนินตอนหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยทางด่านสับสนและภูมิประเทศยากจะสังเกตอะไรได้เพราะต้นไม้ลักษณะเหมือนกันหมดความเฉลียวใจสะดุดคิดของหล่อนเกิดขึ้นพร้อมๆกับจอมพรานทั้งสองยุติคำพูดลงชั่วขณะต่างหันไปสังเกตดูภูมิประเทศอย่างใคร่ครวนวิเคราะห์ มาเรียมหมุนตัวไปรอบๆ อ, อย่างรวดเร็วแล้วมองตามหลังคณะพักที่คงเดินเข้าขบวนกันไปเบื้องหน้าระยะห่างออกไปประมาณสามสิบเมตรพลางมองหน้าเขายักไหล่นิดหนึ่ไม่พูดอะไรทั้งสิ้นแต่สุดตัวลงนั่งอย่างไม่สบายแต่สุดตัวลงนั่งอย่างสบายใจที่ก้อนหินริมทางระพินขมวดคิ้วอย่างอารมณ์ขุนมัว ถ้าคุณรู้ว่าคุณหญิงและพวกเราข้างหน้าเดินไปผิดทางแล้วก็ไม่ควรจะนั่งทอดหุยเป็นทอไม่รู้ร้อนอย่างนั้นแต่ควรจะเรียกพวกเรากลับมาเราไม่ต้องการเสียเวลาไปเลยแม้แต่นิดหนึ่งนะเขาพูดห้วนๆความจริงะมันเป็นหน้าที่ของคุณไม่ใช่เหรอผู้กองมาเรียพูดหางเสียงย่อยกไรเฟิลของหลอนขึ้นเป่าลงไปในรูของตุ่มลูกเลื่อน ปรากฏเป็นเสียงแหลมยาวดังเหมือนนกชนิดหนึ่งร้องด้วยความชำนาญเสียงนั้นทำให้ดารินเชษฐาและชยันตลอดจนพวกพรานพื้นเมืองที่ล่วงหน้าไปก่อนแล้วหยุดชะงักหันกลับมามองแล้วก็แปลกใจรู้สึกผิดสังเกตทันทีเมื่อเห็นระพินกับมาเรียหยุดรออยู่เบื้องหลังไม่ได้เดินตามมาด้วยเอ้มีอะไรชยยันอุทานอย่างแปลกใจ สงสัยว่าฉันจะนำผิดเส้นทางใช่แล้วล่ะมั้งดารินเริ่มไหวทันมองไปรอบๆตัวด้วยสายตาพิเคราะห์ค้นหาแล้วพยักหน้าชวนพี่ชายกับเพื่อนเดินย้อนกลับมายังตำแหน่งที่ทั้งสองยืนคอยอยู่โดยเร็วนี่จะมุ่งไปที่เป้าหมายไหนเป็นแห่งแรกครับคุณหญิงทำที่เราระเบิดเสือหินหรือเปล่าครับใช่หล่อนรับคาโดยเร็วยิ้มออกมากร่อยๆฉันนำผิดใช่ไหม เมื่อกี้นี้ก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะก่อนจะผ่านทางนี้ต้งแยกลงด้านขวามือนี่ครับทางที่คุณหญิงตรงไปนั่นน่ะเราจะไปพบกับปราสาทพันธุมวดีมันแยกทางกันตรงเนินนี่เองครับเชษดขาหันไปมองหน้าน้องสาวอย่างกังวลเอนี่ขนาดกลางวันแท้ๆมองเห็นอะไรได้ชัดน้อยอยังทําท่าจะหลงนี่ถ้าแอบหนีออกมาอย่างเมื่อคืนนี่ไหนจะมืด ไหนจะหมอกลงป่านี้คงจะหายไปพร้อมกับม่านหมอกแล้วพี่ว่าให้รพินนำไปดีกว่านะถึงยังไงเราก็รู้เป้าหมายอยู่แล้วว่าเราจะมุ่งไปทางไหนดารินไม่เอ่ยคําใดอีกทั้งสิ้นสายตาของหล่อนมองไปยังพรานใหญ่เหมือนจะเป็นความหมายเตือนให้เขาเร่งการนําไปโดยเร็วด้วยความเร่าร้อนใจและพอเขาเริ่มเคลื่อนที่หล่อนก็เร่งฝีเท้าติดหลังไปอย่างกระชั้นชิด เริ่มจำทางได้แม่นยำอีกครั้งเมื่อระพินเป็นฝ่ายนำครูใหญ่ต่อมาก็บรรลุถึงแนวป่าหินอันเป็นทางลาดสูงขึ้นไปสู่บริเวณถ้ำที่เคยระเบิดเสือหินกันไว้นักมานุษยวิทยาสาวยิ่งเร่งฝีเท้าจัดขึ้นไปอีกลักษณะเดินเกือบจะเป็นวิ่งตัดผ่านหน้าพรานใหญ่ซึ่งตามปกติก็เดินเร็วอยู่แล้วขึ้นไปนี่ ยืดยาทอดน้องอยู่นั่นแหละรีบรีบเข้าหน่อยไม่ได้เลยฉันมองเห็นยอดไม้ที่หมายนั่นแห ล, ละล่ะหล่อนพูดข้วนๆเดยไม่มองหน้าสะดุดรากไม้ที่โผล่พ้นดินออกมาเซธหลาหัวสุนไปเบื้องหน้าด้วยความรีบร้อนแล้วล้มคุกเข่าลงจอมพรานก้าวตามเข้ามาทันคว้าแขนไว้หิ้วประคองขึ้นมาหล่อนสะบัดเต็มแรงแต่แล้วก็ชะ ง, งักกึกลงอย่างกระทันหันเสียงคู่คำรามกระหึ่ม ดังอยู่เบื้องหน้าไม่ห่างออกไปนักดูเหมือนบางเหลี่ยมก้อนหินใหญ่ใกล้ๆนี่เองอำนาจแห่งเสียงนั้นก้องสะเทือนไปทั่วทุกโขดหินที่แวดล้อมอยู่ท่ามกลางความเงียบสงดของป่ารอบด้านและในความตะลึงของทุกคนเป็นเสียงที่ดังประสานโต้ตอบเข้าใส่กันอย่างดุร้ายเกรียกร้ยกลาอก่อนการเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นของคณะพักในขณะนี้ เสียงนั้นก็ยิ่งแพรกล้องสันนันวันไหวป่าทั้งป่าดูเหมือนจะแลเหลืองไปหมดด้วยอนุภาพแห่งแก้วเสียงตามติดมาพร้อมกับเสียงคำรามกันโชกนั้นเป็นเสียงของการเคลื่อนไหวอย่างคลุกครีพฟละวันพุ่มไม้และก้อนหินกระจัดกระจายโครมครามและในพริบตาต่อมาในม่านฝุ่นอันตลบห่างจากที่ระพินและดารินยืนอยู่ออกไปเพียงไม่เกิน30เมตร เงาสองชนิดอันเป็นต้นเหตุของเสียงคำรามและฟัดฟ้าต่อสู้กันอยู่ในขณะ น, นี้ก็กระเด็นหลุดพ้นก้อนหินใหญ่ออกมาให้เห็นชัดกลางทางด่านและป่าหินเตี้ยเตียยเงาหนึ่งดำปลอดไปทั้งตัวกระทบกับแสงแดดยามสายเป็นมันอีกเงาหนึ่งพื้นเหลืองเข้มดอกพร้าวเป็นดวงดำสัตว์ร้ายอันเป็นเจ้าป่าทั้งสองมีขนาดเปิบใหญ่เต็มที่ ไล่เลี่ยกันตบกัดกันติดฟัดฟาดกันกลิ้งกลางพื้นกรวดและหินเล็กๆตลอดกันมวลวัชพืชที่ขึ้นอยู่ข้างเคียงกระจุยกระจายขึ้นไปบนอากาศด้วยแรงต่อสู้ชุลมุลนัวเนียนั้นเบื้องหลังเชษฐาและคนอื่นๆจะตกอยู่ในภาวะเช่นไรในขณะนี้ไม่ทราบได้เพราะติดพรานใหญ่กระดารินซึ่งยืนขวางอยู่เบื้องหน้าราชะสะกุลสาวร้องอะไรออกมาคํานึงไม่เป็นภาษา เพราะขณะเมื่อมองเห็นภาพไอ้ดำกับไอ้ดาวฟัดกันอยู่เบื้องหน้าขณะนี้หล่นอนก็มองผ่านไปเห็นร่างของเงสาสเข้าพร้อมกันร่างซึ่งนั่งนิ่งสนิทอยู่โคนต้นเสลียงห่างออกไปจากบริเวณที่พยักไร้ายทั้งสองคบกัดต่อสู้กันอยู่ในขณะ น, นี้ไม่เกินสิบเกเท่านั้นดารินประทับไรเฟิลขึ้นอย่างเงอะ ง, งะเพราะความตกใจขีดสุดแต่ช้าไปซะแล้ว หล่นช้ากว่ารพินมากแม้จะใจร้อนกว่าสักเพียงใดก็ตามเสียงตูมกึกก้องกบสับะสมเนียงเสียงคำราของเจ้ามาทั้งสองขึ้นขณะ น, นี้คือจุดสี่ห้าแปดแมกนัมจากมือของสุภาพบุรุษไพรเขายิงก่อนที่บุคคลอื่นๆเบื้องหลังจะทันเห็นได้ถ น, นัดว่าอะไรเป็นอะไรซะด้วยซ้ำเหมือนสายฟ้าที่ฟาดลงมาท่ามกลางการต่อสู้ยังดุร้ายกระหายเลือดนั้น ไอ้ดำซึ่งคร่อมขยํำคู่ต่อสู้อยู่เบื้องบนกระเด็นหลุดจากอกของไอ้ดาวที่กำลังนอนงายแย่เคี้ยวอยู่ไปราวถูกมือยะตบปลิวไปกระทบก้อนหินใกล้ๆแล้วนิ่งสนิทยอยู่ตรงนั้นอย่างเฉียบพลันเจ้าตัวที่อยู่ล่างเพ่นโผล่ขึ้นด้วยความเร็วภายในเสี้ยวของวินาทีแผดเสียงร้องอ้าวสันด้วยความตกใจกระโจรหายกัไปในป่าหินอย่างรวดเร็ว เกินกว่านับที่สองของเขาจัดซ้ำทันรพินเพนตามเขาไปยืนอยู่ตรงบริเวณที่มันฟัดกันอยู่เมื่อครู่นี้ชูลำกล้องไร่เฟินขึ้นกว่าตาค้นหายัางรวดเร็วแต่เขาก็มองไม่เห็นเงาของมันแลว้วดารินไม่สนใจกับอะไรอีกหล่อนออกวิ่งปราดตรงไปที่โคนต้นเสลียงในระหว่างก้อนหินใหญ่สองลูกนั้นโดยเร็วและคนอื่นๆก็วิ่งพลูตามกันเข้ามาทั้งหมด แง่ท า, ายทุกคนอุทานกล้องขึ้นเป็นเสียงเดียวถูกแล้วนั่นคือแงาสายจอมพเนจรอดีตองครักประจำตัวของดารินนั่งสงบนิ่งไม่ติงกายอยู่กับพื้นหลังพิงซอกภูของโคนต้นเสลียงเท้าทั้งสองเหยียดไปเบื้องหน้าปลายเทาวว้าไข้กัดมือกอดอกคางฟุบลงมาวางอยู่กับอกในลักษณะ นั่งหลับตลอดทั้งกายเต็มไปด้วยฝุ่นละอองและใบไม้แห้งที่ปลิวหล่นลงมาวางอยู่ทั่วตัวระพินก้าวตามเข้ามาเป็นคนสุดท้ายในขณะที่พักพวกทุกคนมุงล้อมจ้องภาพนั้นตะลึงงันอยู่คนใจร้ายเสียงดารินระเบิดโผงเข้าใส่พรานใหญ่ท่ามกลางความเงียบที่ครอบงำอยู่ด้วยอาการกระหึกกระหอบ ใบหน้านั้นสีและแดงสลับกันเห็นหรื อ, อยังเห็นแล้วใช่ไหมนี่ทำามช้ากว่านี้อีกนาทีเดียวเท่านั้นแหละแงซ้ายก็คงกลายเป็นเหยื่อของไอ้ดำหรือไอ้ดาวนั่นแล้วละ่ะหล่อนพูดเกือบจะเป็นตะโกนไม่เร็วถึงขนาดนั้นหรอกครับคุณหญิงเสือหิวสองตัวต่อสู้กันเพื่อแย่งเหยื่อนั้นมันกินเวลานานกว่าที่คุณหญิงว่านมากครับจอมพรานตอบหน้าตาเฉยแล้วทุดตัวลงนั่ง ขยับจะเอื้อมมือไปจับตัวแงทรายดารินคว้าไหล่กระชากเซออกมาซะก่อนตะหวาดแหวนนี่ถอยมาไม่ต้องไปแตะต้องตัวคนของฉันแล้วพินเป่าลมออกจากปากขยับปีกหมวกข้านแล้วถอยห่างออกมาโดยดีดารินมองหน้าทุกคนที่แวดล้อมอยู่ซึ่งบัดนี้ไม่มีใครพูดคําใดออกมาได้และสุดตัวลงเบื้องหน้าของร่างที่นั่งนิ่งราวกับภาพปั้น หรือต่อไมยนั้นสิ่งแรกที่หลอนจับก็คือชีพจรที่ข้อมือริมฝีปากเม้มแน่นทุกคนจับสายตาอยู่ที่หลอนเขมงเป็นตาเดียวต่อมาจึงเห็นหมอดารินประคองใบหน้านั้นขึ้นดูใบหน้านั้นขีวคลําดวงตาทั้งคู่ปิดสนิทเป็นยังไงบ้างน้อยท่านหัวหน้าคณะทําลายความเงียบขึ้นด้วยเสียงห้าว่ต่ แพทย์สาวมีสีหน้ายุ่งยากกังวลยังไงบอกไม่ถูกก้มหน้าลงไปเอาหูแนบฟังกับอกเขายังไม่ตายครับพี่ใหญ่แต่หัวใจเต้นอ่อนเหลือเกินลักษณะไม่ใช่คนหลับธรรมดานะคะแต่เหมือนคนที่ถูกวางยาสลบแล้วหล่อนก็เหลียวไปรอบๆด้านด้วยอาการกระสับกระส่ายก่อนอื่นแผนที่เดินทางของเราน้อยพี่ชายตื่นขึ้น ดาริลลวงมือเข้าไปในอกเสื้อกะเหรี่ยงของแง่ทรายโดยเร็วคลำควานอยู่อึดใจเดียวก็ดึงเอาซองหนังขนาดสี่คูณแปดซึ่งบรรจุแผนที่เดินทางของรพินออกมาโยนไปให้เจ้าของบอกโดยเร็วว่าตรวจดูสิของของคุณอยู่ในนั้นครบถ้วนถูกต้องหรือเปล่าจอมพรานตาเป็นประกายแกะซองออกอย่างรีบร้อนทุกคนละความสนใจกระร่างอันหลับอย่างสลบทลไลของจอมพเนจรชั่วคราว หันมัมุงล้อมแล้วก็พบด้วยความปลาปลื้มยินดีว่าแผนที่ตลอดจนลายแทงของมังมหานรทาทั้งต้นฉบับตัวจริงและที่แปลแล้วบรรจุอยู่ในนั้นครบถ้วนไม่มีสิ่งใดขาดหายไปเลยเรียบร้อยครับคุณหญิงเราได้แผนที่ของเราคืนในสภาพที่เรียบร้อยที่สุดมันพิสูจน์ให้เห็นว่าความฝันของคุณหญิงตรงกับเหตุการณ์จริงหมดทุกอย่าง ไม่มีอะไรคลาดเคลื่อนจนนิดเดียวครานใหญ่ร้องออกมาอย่างปิติปัญหาก็เหลืออยู่อย่างเดียวเท่านั้นสำหรับเราคือจะทำยังไงถึงจะให้แง่ทรายฟื้นคืนสติมาเรียเอ่ยขึ้นโดยเร็วสุดตัวลงด้านรงข้ามดารินจับไหล่แง่ทรายไว้พอมีทางไม่น้อยอาการของเขาหนักเพียงไหนฉันก็ยังบอกไม่ถูกเหมือนกันนะ แต่เราจะต้องช่วยเขาด่วนที่สุดหล่อนกล่าวอย่างภาะวะพวังคล้ายจะตัดสินใจไม่ถูกฉันก็ลืมซะอย่างสนิทเชะความจริงก่อนจะออกเดินทางมานะ่ะฉันควรจะเอากระเป๋าเวชพันมาพร้อมด้วยนี่เรามากันตัวเปล่าเรื่องนี้เห็นจะไม่เป็นปัญหาหรอกนะระยะใกล้แค่นี้เองฉันหรือใครหรือพวกเราสักคนนึ่งวิ่งกลับไปเอามามันคงไม่สายเกินไปนักนะ ช้ยันโพ้งมาเป็นคำแรกอะถ้างั้นไปเอามาด่วนที่สุดนะเอามาทั้งหีบเลยดารินสั่งและทดลองเขย่าปลุกเรียกอยู่หลายครั้งร่างของแง่ทรายสนิทนิ่งเหมือนคนที่ปราศจากวิญญาณและเมื่อหลอนกับมาเรียช่วยกันออกแรงฉุดร่างนั้นก็สวนเสียหลักจากท่าที่นั่งพิงอยู่ตะแคงฟุบจะล้มลงกบดินมาเรียรับไว้ได้ก่อนจะกระทบพื้นและประคองไว้ร้องออกมา เขาไม่รู้สึกตัวเลยนะเนี่ยเขาสลบไม่ใช่นอนหลับหรอกใช่สิถ้านอนหลับธรรมดา่ะปล่อยขี้เซาขนาดไหนบ่านนี้ก็คงจะรู้สึกตัวตื่นขึ้นแล้วน่าจะตื่นตั้งแต่ตอนที่รพินยิงเสือแล้วด้วยซ้ำเชษฐาพูดอย่างกังวลแลวออกคำสั่งให้เกิดกระสรยช่วยกันหามร่างอันหมดสติของแง่ทรายออกมาวางนอนหงายเหยียดยาวบนพื้นเรียบโล่งตอนหนึง่งภายใต้เงาหินอันร่มรื่น ชายันว่องไวทันใจเสมอฟ้าไหลสื่อได้ก็พยักหน้าชวนให้เดินกลับไปแคมด้วยกันเพื่อจะไปเอาหีบเวชพันตามคำสั่งของดารินแต่รพินสาวเท้าตามมาทันผมเองดีกว่าครับคุณชายันผมไปได้เร็วกว่าคุณอยู่ช่วยคุณหญิงทางนี้นะครับชายันขยับจะปฏิเสธแต่แล้วก็มองเห็นความจริงว่าพรานใหญ่ย่อมแคลวคล่องอย่างรวดเร็วกว่าเขามากในด้านเดินทางในป่าจึงยอมโดยดี ระพินเดินตัวปลิวหายไปในชั่วพริบตาเขาไปเพียงคนเดียวเท่านั้นโดยไม่เอาพรานพื้นเมืองคนใดไปด้วยทิ้งคณะทั้งหมดให้งวนอยู่กับการช่วยเหลือแก้ไขแง้ทายเชยืาหันกลับมาเพื่อจะสำรวจดูว่าใครจะเป็นคนไปเอาเครื่องเวชพัณฑ์ก็ได้รับคำรายงานจากสหายของเขาว่ารพินรับอาสาไปแล้วดีมากรพินคงไปมาได้เร็วทันกับเหตุการณ์ที่สุด ลำพังแกนะ่ะอาจจะมัวงุ่ม ง, งามอยู่ก็ได้หัวหน้าคณะว่าเชายันต้องการให้ทดลองตามหลักปฐมพยาบาลแก้ไขไปพลางๆก่อนด้วยวิธีไผ่ปอดและบีบนวดให้เลือดลงกระจายสะดวกขึ้นแต่ดารินไม่เห็นด้วยยับยั้งไว้แงยส า, ายไม่ได้เป็นลมหมดสติหรือว่าเหนื่อยแล้วหลับไปอย่างธรรมดานะการทำให้ร่างกายของเขาต้องสิ้นเปลืองกาลังงานไปอีกอาจจะมีอันตรายได้ หัวใจและชีพจรของเขาขนาดนี้เท่าที่ฉันตรวจ ด, ดูคร่าวๆเมื่อการเหมือนอยากจะหยุดลงเต็มทีแล้วดูลมหายใจสิแผ่วจางจนเกือบจะไม่เห็นเลยว่าเขายังหายใจอยู่อาการของเขาหนักไม่ใช่น้อยเชนนั้นเนี่ยหมอดารินพูดเคร่งขืนยังจับอยู่ที่ชีพจรข้อมือเหมือนจะตรวจสอบให้แน่ใจที่สุดแล้วย้ายมาใช้นิ้วจี้คลำบริเวณลำคอด้านหน้า ปากก็ยังบ่นเหมือนจะพูดกับตัวเองเราควรจะมาพบเขาให้เร็วกว่านี้นะลงหมอใหญ่ผู้สามารถที่สุดในการรักษาเยียวยาอย่างหม่อมราชวงศ์หญิงดารินวราฤทธิ์แสดงความหนักใจออกมาเช่นนั้นทุกคนที่แวดล้อมดูอาการแงซายอยู่ขนาดนี้ก็จนปัญญาไม่มีใครกล้าแสดงความเห็นใดๆอีกนอกจากฝากทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับความสามารถของหล่อนเพียงคนเดียว และจะทำได้ก็แต่เพียงเป็นลูกมือเท่านั้นเชษฐากะชายันทดลองจับต้องลูกคลมดูตามเนื้อตัวของเจ้าคนใช้ชาวดงแล้วก็ใจหายเมื่อพบว่ามันเย็นชืดราวกะซากสดอย่าเพิ่งมองเทงจะก่อนอว้ยแงซายยังน้อยพวกเราก็ยังต้องการแกอย่างที่สุดชายันพูดเบาๆกับใบหน้าคมสันอันมีดวงตาพริมสนิทนั้น ขณะที่จับแขนของแง่ทรายบีบแน่นสิ่งที่ทุกคนจะทำได้ในขณะนี้ก็คือนั่งลองง้อมวงเฝ้าดูร่างอันอยู่ ก, กึ่งกลางระหว่างลูกผีกับลูกคนนั้นรอคอยการกลับมาของระพินด้วยความเร่าร้อนใจเวลาแห่งความอึดอัดกังวล น, นั้นมันช่างพานไปอย่างเช่มชาทรมานในความรู้สึกเหลือประมาณ แล้วพรานใหญ่ก็โผล่กลับมาพร้อมด้วยหีบเวชพันฑ์ของหมอดารินแม้จะเป็นการเดินทางที่รวดเร็วกินเวลาสั้นที่สุดสักเพียงใดก็ตามแต่ฝ่ายที่รออยู่ก็ยังเห็นว่าช้าอยู่ดีเขาไม่มาคนเดียวเหมือนเมื่อขาไปหากแต่มีบุญคำตามมาด้วยเป็นคนสะพายหีบเครื่องแพทย์มาทั้งชุดหีบห่ออันหมายถึงหัวใจของคณะเดินทางทั้งหมดเชษฐาชยยัน ปราดไปรับทันทีที่เห็นทั้งสองโผลยังเงียบกริบออกมาจากเงาแมกไม้ส่วนหมอดารินสีหน้าดีขึ้นระหว่างที่ระพินกับบุญคำกุลีกุจอช่วยแก้หีบหอเครื่องเวชภัณฑ์อันผูกมัดไว้อย่างหนาแน่นหลายชั้นนั้นออกหญิงสาวพูดเบาต่ำอยู่ในลำคอเหมือนเสียงบ่นว่ามาช้าหรือเกินถ้าเราต้องสูญเสียงแงซายไปฉันจะไม่มีวันอภัยให้คุณเลยนะระพิน ค่าที่คุณเป็นต้นเหตุทวงเวลาทำให้เรามาพบเขาช้าไปมากหนักมากเลยครับหมอดูเองก็เห็นน่ะแล้วความเงียบก็ปกคลุมคนทั้งคณะอีกครั้งบรรยากาศเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดดารินวราริธบัดนี้สวมวิญญาณแพทย์อีกครั้งหลอนปฏิบัติงานอย่างแคล่วครองรวดเร็วแข่งกับเวลาที่สุดโดยมีมาเรียฮอฟมันเป็นลูกมือ คนอื่นๆนอกนั้นได้แต่ล้อมวงดูอยู่เฉยๆและเย็บปากนิ่งพร้อมที่จะเคลื่อนไหวช่วยประสานงานในทันทีที่มีคำสั่งสิ่งแรกที่ทุกคนเห็นก็คือหลอนคว้าหูฟังขึ้นมาตรวจฟังเสียงหัวใจของคนสลบอย่างระมัดระวังข่าวหน้าเครียดขรึมยากที่จะอ่านความรู้สึกหลอนตรวจยู่นานทีเดียวเหมือนจะลังเลไม่แน่ใจบางอย่างทาให้ทั้งหมดที่เฝ้าอยู่ ลอยจิตใจร้อนรุ่มกระสับกระส่ายแทบจะระเบิดโดยสายตาผัดผาดที่มองอยู่ในขณะ น, นี้ต่างก็เห็นแล้วว่าเจ้าหนุ่มพเนจรงแงซายไม่มีอาการใดๆจะแสดงให้เห็นว่าหายใจอีกเลยผิวพันธุ์ซีดเซียวในลักษณะของสุกต่อมาหล่อนก็หยิบไฟฉายเล็กๆของหมอขึ้นมาใช้นิ้วทางเปิดเปลือกตาอันปิดสนิทขึ้นส่องตรวจดูทั้งสองข้างอย่างพิเคราะห์ สีหน้ายัางเต็มไปด้วยความอึดอัดกังขาอยู่เช่นนั้นทันทีนั้นก็ตัดสินใจหันไปเลือกยาดูดขึ้นหลอดสําหรับฉีดแต่แล้วก่อนที่หล่อนจะเสือปลายเข็มลงไปบนผิวของแงซายนั่นเองอุ้งมือกํายําของใครคนหนึ่งก็ขยุ่มหมับมาที่ข้อมือของหล่อนยึดให้ชะงักค้างอยู่เพียงนั้นพร้อมกับเสียงห้าวๆเร็วปรือว่าเดี๋ยวครับคุณหญิง ดารินและทุกคนเงยวูบขึ้นมองหน้าเป็นตาเดียวกันหมดเจ้าของเสียงและเจ้าของมือที่คว้ามือหมอดารินไว้ในขณะ น, นี้คือระพินไพรวันคุณหญิงครับผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าคุณหญิงจะฉีดยาอะไรให้แง่ทรายแต่เกรงว่าถ้าผิดประเภทผิดเป้าหมายการวินิจฉัยโรคโอกาสรอดของแง่ทรายที่มีน้อยอยู่แล้วจะหมดสิ้นไปในทันทีนะครับพรานใหญ่พูดชัดเจน เหบห้าวได้ยินถนัดในหูของทุกคนที่จ้องมองเขาด้วยความประหลาดใจในขณะ น, นี้สายตามไม่ได้จับอยู่ที่ใครทั้งสิน้นหากแต่เพ่งแน่วแน่ไม่กระพริบไปยังปลายเท้าของคนสลบและ ว, วุ้ยปากให้ทุกคนมองตามชื่อกันดูให้แน่สิครับที่หน้าแ ข, งข้งข้างขวาเหนือข้อเท้าขึ้นมาหน่อยนะ่ะคืออะไรทั้งหมดตวัดสายตาตามคําชี้บอก แล้วจ้องตะลึงอุทานออกมาด้วยความแปลกใจระคนระหนกในสิ่งที่เพิ่งจะคนพบสังเกตเห็นบุญคําทลันปราดเข้าถึงร่างกายส่วนนั้นของแง่ทรายก่อนใครอื่นทั้งสิ้นก้มลงไปมองจ้องแล้วเงยหน้าขึ้นทุกคนเห็นสีหน้าของพรานเท่าขาวเพื่อไม่มีเลือดเหลืออยู่เลยครางลั่นออกมาด้วยเสียงเครือสะท้านนายต่อให้หมอเทว ด, ดา ก็ไม่มีทางช่วยแง่ทรายได้อีกแล้วโธ่แง่ทรายเอ้ยความจริงเองก็เป็นคนดีมีฝีมือน่ารักนักข้ารักเองยิ่งกว่าไอ้ขยินขี้โทษซะอีกไม่น่าเลยไม่น่าที่ชีวิตเองจะมาสุ้นสิ้นสุดลงเพียงแค่นี้ประโยคหลังแกรำพันออกมาพร้อมกับร้องไห้โฮท่ามกลางความตะลึงตัวแข็ง หัวใจแทบหยุดเต้นของทุกคน